มันมีอยู่เพิ่งแต่ความเวลาครูบาอาจารย์เสียแต่ละครั้นี้ก็เพิ่มที่เกาะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็แตกว่าสาลางเหมือนกันอย่าหาก็ยังดีที่ท่านบอกว่ามีลังอยู่ทางไหนลางไม่ได้ไม่ม่เสียละไม่เสียล ก็ถ้าท่านได้บอกไว้บางทีเราก็ไม่แน่ใจแล้บางทีได้ยินจากหมายกระแสมันก็ยิ่งทำให้ ก, รการสับสนได้อพราะท่านเป็นคนพูดแล้วมันก็ปัดปัญหาเรื่องความลางังเลสงสัยได้ในระดับหนึ่งทังนี้ทังนั้นก็บ้งควรที่จะเอาการจากของท่านนี้มา มาสอนใจเราให้เราเติบโตไม่มีอะไรที่ที่แท้นแน่นอนไม่ได้มีที่พึ่งอะไรนี้ที่จะดีเท่ากับตัวเองเพราะที่พึ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นถ้าเขาไปจากเราไปเราก็จะลำบากแต่ที่พึ่งที่มีในใจเรานี้ได้จะอยู่กับเราไปตลอด ในเราไปไหนเราก็จะมีที่พึ่งดน้นพยายามสร้างที่พ่งให้เกิดขึ้นภายในใจของเราให้ได้ในขณะที่เรายัางมีความสามารถที่จะทำได้พอถ้าร่างกายนี้เป็นอะไรไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้เราก็จะขาดที่พึ่ง เ, าา เ, เมื่อเราไปข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปพบทีกเพื่อนอิจเมื่อไรขอให้เราพรายามสร้างสานันนิษฐาในในใจของเราด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอดีของพระครูบาจารย์ที่เราเคารพนับถือกด็ดีขอให้เรามิทัน ยึดคาสอนของท่านเป็นอาจารย์ของพกเราเพราว่าคําสอนของท่าง น, นี้ไม่ได้ตายตามท่านไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไวว่าทํา ม, มวินัยที่ตถาค ต, ตได้ชอบและแย่จะเป็นศาสตราของพวกเธอต่อไปคําสอนของครูอาจารย์เช่นของหลวงตาที่สอนไว้นี้ก็จะเป็นอาจารย์ เป็นหลวงตาแทนท่านต่อไปเพราะน้นเราเอางไม่ได้อยู่ใกล้อาจารย์อาจารย์แค่เรามีคําสอนของท่า น, น, นตอนนี้เราก็ได้ว่าคําสอนของท่านเก็บไว้มากพอสมควรทั้งที่เป็นหนังสือทั้งที่เป็นแผ่นซีดีและเป็นภาพนอนก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้ในทิ้งชักหรือตั้งไว้บนที่มืดไว้กล่าวพิจาร แต่ละคนที่จะมันเปิดมาดูมาฟังอยู่อย่างเสนมเสนอเพราะธรรมะการสอนนี้เป็นอกาลิโกไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลากับการจากไปของผู้บาอาจารย์การสอนท่านสอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่มีความมีประสิทธิภาพอย่างไรํำสอนรรนั้นก็ยังมี สิทธิภาพอย่างนั้นถึนแม้ว่าจรีละของท่านได้ได้จากไปแล้วก็ตามแต่คำสอนนี้ไม่ได้จากพวกเราใจถ้าเราน้อมเอาคำสอนอ่างท่านมาสอนใจเราแล้วปฏิบัติตามเราก็จะได้รับประโยชน์เมืออกับที่ ขณะที่ท่านสอนกับเราต่อหน้าเราไม่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจากไปของท่านปัญหาอยู่ที่การน้อมเอาคําสอนของท่านให้มาเข้ามาสื่ใจเพราะคาสอนที่ยังอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในสื่อต่างๆนั้นยังไม่ได้เป็นความจริงสําหรับเรา คาสอนของท่านจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อเราได้น้อมเอาเข้ามาฝึกใจของเราด้วยการปฏิบัติถ้าเราน้อมเข้ามาเอาคําสอนมาจําละใจของเราจําละความโลภความโกรธความหลงคำสอนนี้ก็จะกลายเป็นความจริงเป็นความจริงที่จะอยู่กับใจเราไปตลอด ไม่ว่าใจเราไปที่ไหนเราก็จะมีคำสอนนี้คอยดูแลรักษาปกป้องใจของเราไม่ให้ตกทุกได้ยากจะรักษาให้ใจของเรามีแต่ความสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่าคําสอนนี้เป็นที่พึ่งของใจเรา จะป้องกันไม่ให้ทุกข์ภัยต่างๆเข้ามาเปียกย่ำทำลายใจของเราดังนั้นขอให้เราลองน้องเอาคำสอนของท่านเข้ามาด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีเวลาว่างเวลาใดก็เปิดฟังเปิดอ่านตลอกดการปฏิบัติ คำอโดยหักก็มีให้เรสามขั้นคือทานศิงภานาอันนี้เป็นเป็นมรรเป็นทางที่จะพาให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากสมุทยัยคือตัณหาทั้งสามได้แ ก, ก่กามวัตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา การสีนภาวนานี้จะทำให้การลตัณหาภาวะตัณหาและวิภาะวะตัณหาหมดไปได้เมื่อไม่มีตัณหาอยู่ภายในใจก็จะมีเรื่องคือความดับของทุกทุกชนิดในใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความสุขที่เรียกว่าความสุ ข, ขัองอยู่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นขอให้เราจะมีความเชื่อมันในคำสอนที่สอนให้เราทำ อ, อยู่ให้ทานให้เรารักษาสิ่งะให้เราภาวนาไม่ต้องสงสัยว่านี่เป็นทางที่ถูกหรือไม่ทางนี้เป็นทางที่ถูกได้รับการรับรองมาตลอดระยะเวลาสองพัห้าร้อยกว่า 5, ปีแล้ว ได้มีภรสาวุกองไงออกมากล่าวตำหนิว่าไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่มรรคผลที่พานหนึ่งแม้กิดองค์เดียวมีแต่ออกมารับรองกันทุกคนว่านี่แหละคือทางที่แท้จริงทางที่ถูกต้องเรียกว่าสามมาและทางที่มีมบัชิมาทางสายการ ที่จะพาให้เราอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆดังนั้นขอให้เราเชื่อมั่นในในลักธมคำสอนขอ ง, ของ พ, อพระพุทธเจ้านี้แล้วสร้างวิริยะคือความภาพเพียรความขยันทำมากก็จะได้มากก็จะเสร็จเร็วทำน้อยก็จะได้น้อยแล้วก็เสร็จช้าเหมือนการตักน้ำใส่ตุ ถ้าตักเทละขันก็จะช้ากว่าคนที่ตักเทละปีเพราะฉะนั้นถ้าเราตักมากน้อตักตักเร็วตักบ่อยมันก็จะเสร็จเร็วถ้าเราปฏิบัติมากเราก็จะบรรลุเร็วถ้าเราปฏิบัติน้อยเราก็จะบรรลุน้อยบรรลุช้าและอาจจะไม่ได้รับนิทานกับสังขารร่างกายก็ได้ ร่างกายก็จะมีแต่แก่ลงไปอ่อนกำังลงไปตามลนดับถ้าเราไม่รีบทำงานคือการปฏิบัตินี้เราอาจจะทำไม่ทันกับเวลาคือเวลาของสังขารร่างกายนี้ก็ได้เพระนั้นเราจึงไม่กลัวเวรวรกลักเสว่า ทังขาน้ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยาหยุดทำงานเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้เสมออย่างที่เราได้ยินข่าวข่าวกันอยู่อย่างต่อเนื่องถึงภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันกอตายที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่คิดว่าเขาจะตายกันก็มีอยู่ให้เราได้ บ <c oughs> ด้ยินได้ฟังอย่อยางสมเสาอเราควรที่จะเอาความตายของบุคคลเหล่า น, นี้มาเป็นขติเตือนใจเราไม่ให้นิ่งนอนใจให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะเลิกปฏิบัติกิจที่สำคัญของเรา น, นี้ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วกิจอย่างอื่นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเสียเวลาทาให้ทําในกิจ ที่จําเป็นเช่นกิจที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการทำงานกินเลี้ยงชีพนะี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํากันทุกคนแม้แต่นักบยนก็ต้องทําการเลี้ยงชีพของนักบวชก็คือการบินตบาดเพื่อที่หาอาหารมาเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพของญาติโยมก็คือการไปทํางาน ทำการเพื่อล่าเปี่ยนกับเงินเดือนเพื่อที่จะได้เอาเงินเดือนนี้มาซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ควรจะทําเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่างพระก็ออกบิณฑ บ, บาตยงวันละครั้งไม่ได้ออกบิณฑ บ, บาตวันละสามสิบเก้าว่าความจําเป็นมีอยู่เพียงครั้งเดียวบิณฑ บ, บาตตอนเช้าได้อาหารมาก็าเหลือเฟือ พอเพียงกับการอยู่ในหนึ่งวันแล้วไม่จาเป็นต้องไปบินไป บ, บ้านรอบรอบกลางวันและรอบเย็นอีกญาติโยมกเช่นเดียวกันการทำงานกินก็ทําให้พอมีไรายได้พอกับรายจ่ายก็พอแล้วอย่าไปหามากเกินไปอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินมากจนเกินไปเอาเวลาที่จะหาเงินที่ไม่จำเป็นนี้ มาหาธรรมะดีกว่ามาปฏิบัติธรรเราสร้างมรรที่พระเจ้าส่งต่อว่ามรรต้องเจริญให้มากถ้าต้องการยิ่รอดคือการดั บ, บทุกข์นี้ต้องดับเ้วยมรรคมรกก็คือทานสีพอแนาเนี่ยเราต้องทําทานให้มากในกรณีของทานนี้ก็หมายถึงให้ทําในสิ่งที่เรามีไม่ได้หมายถึงให้เราไปหา ในสิ่งที่ไม่มีมาทําไม่จนเป็นถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทําอย่างพระที่ท่านออกเดินท่านก็สลับหมดไปเอาทรัพย์สมบัติเข้ากล่องเงินทองท่านก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาทรัพย์มาทำดาลอีกต่อไปเรื่องทางสําหรับนักบวชนี้ก็เป็นหนว่าหมดภาระไปนอกจากได้มาอีก ก็ค่อยทำไปแต่ได้มาโดยที่ไม่ได้ไปสวงหาไม่ได้เสียเวลากัไปไปแสวงหาแต่ได้มานเนื่องจากมีศรัทธาถวายมาให้ก็เอาไปทําประโยชน์ต่อแต่ไม่ใช่เป็นงานสําคัญสำหรับนักบวชแล้วเพราะทางนี้นักบวชได้ทําครบเต็มที่แล้วถ้า สละครับสมบัติข้าวของเงินทองในขณะในสมัยที่มีข่ารวร้ายอยู่นี้จนหมดไปไม่มีอะไรติดตัวไเลยนอกจากอัถรริ์มฐานคือเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องลืมของของนักบวชเช่นกายจีวรกับบาตเป็นต้นก็มีเพียงสมบัติเป็นแตดชิ้นที่ไม่สามารถที่จะ ให้กับใครไปแล้วเพราะเป็นสมบัติที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องมีต่อการดำเนิ น, นชีวิตแต่ถ้าบวกไปนานนะี้มืการัทถวายมาให้เพิ่มให้ท่าเพิ่มขึ้นมาให้บานเพิ่มขึ้นมาให้สิ่งของต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เก็บาไว้ก็เอาไปทำทานได้แต่ไม่ได้หมายความว่านะให้มันบวชเพื่อที่จะเพิ่มมาหาราบจัวาลต่างๆ เพื่อที่จะออกไปทําทานก็เช่นเดียวกับญาติโยมถ้าญาติโยมไม่มีสมบัติที่เหลือใช้แล้วมีแต่สิ่งที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้สมมําหรับตนเองก็ไม่ต้องไปเสียเลยวลาไปทำงาหากินเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทำบุญอันนี้ไม่จําเป็นแล้วแสดงว่าทานสหรับเราจะหมดปัญหาไป ปัญหาของเราคืองานของเราขั้นลนําดับต่อไปก็คือการรักษาศีลรักษาศีลห้าว่างแล้วก็เริม่มต้นที่รักษาศีลห้าก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ศีลแปดแล้วถ้าอยากจะปฏิบัติว่าตอนนั้นอยากจะออกบวชก็ถือศีลของนัก บ, บวชไปถ้าเป็นชายก็บวชก็ได้ศีลสงองยยึดแต่เรื่องเรื่อง แต่ศีลที่สำหรับจะเป็นธรรมที่สนับสนุนการเจริญรมาธิและปะะัญยาในศีลระดับศีลแปดนี่ก็พอเพียงเพราะศีลสองยเจ็ด น, นี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่าศีลแส่วนใหญ่จะเป็นกฎระเบียบสาหรับการการอยู่ร่วมกันื้อกัน การประพฤติตนให้เหมาะสมต่อฐานะของนักบวชต่อฐานะของผู้ที่ต้องอาศัยผู้อื่นให้การสนับสนุนก็ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเองแต่ศิ่หลักๆ ก, ก็มีอยู่ของพระนี่สิ่ที่สําคัญก็มีสิ่งพ่อเองคือการละชิกสิ่ ถ้าขาดทำถ้าทําทผิดสิสี่ข้อ น, นี้ตอนชดสท่้อนี้ก็ถือว่าขาดจากการเป็นนักบวส่วมรวมศี่ข้ออื่นๆนั่นก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ถ้าทําผิดก็ยังสามารถที่จะชําระได้ปลอบอับได้สิ่งที่ชาระไม่ได้ตรงบไม่ได้ก็คือตอนชดสิ คือหนึ่งการเสพในถุงนึกการเสพการรองการข้ามนุษย์สาการรักทรัพย์และสิการอวดอุตริมนุษย์สัญญาธรรมคืออวดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตวแต่ถ้าเป็นคุณวิเศษที่มีในตนนี้ไม่ถือว่าเป็นปามาทุกิ์ถ้าเป็นความจริงอย่างที่พระเจ้าสงส่ยว่าเราเป็นพระอรหันต์ตระ ม, มาสสมพุทธเจ้า ถ้าสงสาบด้วยความเป็นจริงถ้าไม่สงสาร ก, ก็ไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นใครเป็นอะไรท่านก็ต้อนประกาศบอกให้ขเขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นพระอาหารหันต์ที่ตัดทุเรศได้ด้วยตนเองเราปรา จ, จากความโลภความโกรธความหลงแล้วแล้วก็ประกาศด้วยจิตที่สะอ า, าดโดยสุดคือไม่นด้มีความต้องการผลตอบแทนจากผู้ฟัง ไม่ได้คู่เพื่อที่จะหวังโน้มแน้วให้เขามีศรัทธานับถือเคารพหรือต้องการลาบส ก, การะจากจากผู้ที่ลาบการประกาศจเป็นการบอกให้รู้สถานภาพของของพระองค์เพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทานอะไรให้กับเขาได้หรือจับ ถ้าเป็นหมอก็บอกกับคนเพระว่าเราเป็นหมอเรารักษาโรคมะเร็งได้ถ้าเราพูดอย่างนี้คนที่ไปนอกมะเร็งเขาก็จะได้รีบมาหาเราเพื่อให้เราได้รักษาโรคมะเร็งนี้ให้กับคาถ้าเราไม่ประกาศเราไม่บอกเราจะมีใครรู้ว่าเรารักษาโรคมะเร็งได้นี่ยจะคือความหมายของการบอก พูดที่ไม่เป็นตาลชุดคือถ้าพูดตามความจริงแต่ว่าปัญหาในสมัยปัจจุบันก็มีอยู่ที่ว่าบางทีไม่มีใครรับรองไม่มีใครรับรู้แล้วก็คนที่อยากจะหลอกชาวบ้านก็อาจจะพูดได้เช่นเดียวกันว่าเราได้บรลลุตแล้วเราได้เต็มพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่มีใครไปสามารถไป ไปพิสูจนได้ไปรับรองได้ในสมัยปัจจุบันจึงมักจาไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกันว่าตนได้บรรลุทำขั้นนั้นทำขั้นนี้เพราะกลัวจะถูกล่าวหาว่าเป็นประมาชิ่ได้นอกจากบุกคคลที่มีบาริีมีบาหมีมากๆหนึ่งหน้าตาที่ท่ทานได้กบรสั่งสอนลูกศิษย์ลูกขาลานเป็นจำนวนมาก จนผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านนี้สามารถพิสูจน์คำสอนของท่านได้ยงเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ท่านสามารถพูดได้อย่างเต็มปากและไม่มีใครกล้าที่จะไปกล่าวหาท่านว่าท่านเป็นปางทิดอย่างที่ท่านพูดใหม่ๆคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คิดไปต่างๆนงานาัน เพาะเขาก็ไม่เข้าใจถึงความหมายของคําว่าตาละชิศนี้เป็นยังไงเนื่องจากมีธรรมเนียมว่าไม่ควรจะพูดถึงแม้ว่าจะบรรลุก็ไม่ควรจะพูดเพราะเสี่ยงต่อการถูกเขาตล่าวหาว่าเป็นตาละชิศอย่นี้ก็คือเสียงของพระสียงข้อก็คล้ายๆกับเสียงห้าของญาติอยวนี้ ข้อข้าศึกตักทีไรักษัพประพุธิิดกระเวนิแล้วก็พูดก่อนดังนั้น <c oughs> ถ้ามีศีลห้าโดยสุดนี้ <c oughs> ก็ถือว่าพอเพียงต่อการปฏิบัติสมาธิและปัญญาส่วนถ้าเป็นศีลแป น, นี้ก็จะทำให้เป็นิีนที่กระชับยิ่งขึ้นก็จะไปเกี่ยวกับการช่วยตักนิวรน ที่จะเป็นเหตุที่ขัดขวางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือการมาฉันทะการมาฉันทะนี้ก็คือความอยากความชอบในรูปเสียงกลียดรสถ้ามีความอยากในรูปเสียงกลี่ดรสก็จะมีกําลังที่จะต่อต้านไม่ให้เรานั่งสมาธิกันก็อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะดู อยากจะฟังอยากจะออกไปเที่ยวเวาต้องไปอยู่ที่งเงียบๆคนเดียวเพื่อนั่งทำจิตให้สงบ ก, ก็จะรู้สึกเหงาว้าเหย่ไม่สมาธิทำไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกด้วยการถือสีแปดเราพยายามตัด ความชอบความอยากในรูปเสียงต่ำด้วยการถือเสียงข้อที่หกคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือเรารับประทานอาหารเท่าที่จําเป็นต่อร่างกายรับประทานหรือรับประทานยาแต่ไม่ต้องการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเป็นวันละสามสี่มื้อรับประทานเช้ากลางวันเย็นแล้วบางครั้งก่อนนอนก็ยังต้องรับประทานก่อน อย่างนี้เรียกว่าเป็นกาวะฉันทะรับประทานเพื่อรดชา <c oughs> เพื่อความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสรสชาติต่างๆมีเป็นกาวะฉันทะจะทำให้เกิดนิวรคือไม่สามารถนั่นทงทำจิตให้สงบได้และจะเกิดคอม่วงเหงาหงานอนในเวลารับประทานอื่นๆแล้วก็เกิดความขี้เกียจอยากจะนอนอย่างเดียว เดินจงกรมก็เดินไม่ไหวนั่งสมาธิก็จะสับสนกก็จะไม่ได้สมาธิดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะจะเรียนสมาธิก็ควรที่จะถือศีลแปดแล้วก็ถ้าถือศี 8, แลแปดวยังรู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยคึกหน้า <c oughs> เช่นเรื่องการง่วงแล้วหางนอนก็อาจจะ อาจจะต้องอดทหารบ้างพออาหารบ้า ง, ออาาางคือไม่ไม่รับประทานอาหารอาจจะใช้การดื่มเครื่องดื่มแทนเครื่องดื่มเช่นน้ำปลาร้แทนที่จะดื่มการที่จะรับประทานอาหารถ้าท้องว่างตัวก็จะเบาแล้วก็จะไม่ม้ดสติสตังก็จะดีการควบคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐาน เช่นการโดยการพุโทโธก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่ไม่ได้อดอาหารหรือขอนอาหารแต่ก็ต้องสังเกตดูว่าถูกถูกจริตกับตอหรือไม่ถ้าอดแล้วแทนที่จะสงบกับยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เกิดจากการคิดปรุงแต่งถึงเรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกกระเจริต ก, ก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นเพื่อแก้ปัญหาของความหงงเหนือนอน่อยหงบนก็คืออาจจะต้องเดินจงกรมให้มากหรือต้องไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวว่าเวลาเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเช่นในป่าช้าใจเราจะไม่รู้สึกง่วงนอนเพราะจะมีความหวาดกลัวแต่เราก็ต้องมีสติ พอที่จะควบคุมความหวาดตัวนี้ได้เวลามีความหวาดตัวตั้งสต่ใหเราบริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดความหวาดตัวขึ้นมาเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงหรือเราอาจจะคูนแต่งคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องรีบหยุดความคิดเหล่านี้แล้วบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวหรือส่วนบทอิติปิโส พาหลังซอนมาสว่าคาโตชุบ ป, ปฏิสันโนไปนะให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วไม่นานจิตก็จะสงบลงแล้วความกลัวต่างๆก็จะหายไปแล้วก็จะเห็นว่าความกลัวนี้มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่มันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ใจของเรานี้มาหลอกตัวเราเองใจเรานี้เป็นผีหลอกเราเอง เพราะผีเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผีใครเปงคนไปบอกว่าเขาเป็นผีก็เราเนี่ยแหละใจของเรามี่แปลว่าเป็นผีขึ้นมาพอบอกว่าเป็นผีเราก็กลัวผีขึ้นมาทันทีทั้งที่ผีก็ไม่เคยประกาศตัวเองว่าเราเป็นผีเนี่ยเราจะมาหลอกเธอเนี่ยนีแต่เราเย่างละตัวเราเองเน่ยหลอกตัวเราเองด้วยการไปว่าว่าเขาเป็นผีความจริงเขาไม่ได้เป็น ผีเป็นอะเขาเป็นเสียงบางทีอาจจะเป็นหนูวิ่งหรือลมพัดทำให้ใบไม้กิ่ไม้มันแกว่งไปแกว่งมาให้เราก็ไปว่ามันเป็นผีแล้วแล้วก็กลนขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับการคิดของเราความอุปทานของเราเพอ ร, รู้ว่าเราว่าอย่างนี้ปับเราต้องรีบจุด โดยการดึงมาหาพุโทโธพุธโทโธทำโมสังโฆก็ได้นงางในพระสูตรที่ท่านบอกว่าเวลาเกิดความกลัวให้เจริญบทพระพุทธคุณถ้าเจริญบทพระพุทธคุณแล้วความกลัวยังไม่หายไปก็ให้เจริญธรมธรมคุณบทธรรมคุณถ้ายังไม่หายก็ให้เจริญบทสังมคุณทรถ้าเจริญไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่นาน ความกลัวก็จะหายไปจิตก็จะสงบลงจิตก็จะได้สมาธินี่ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการได้ความสงบจากการจากการบริกรรมพุทโธจากการไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเพราะเวลาที่เรานอยู่ในสถานที่ตอดภัยเราก็จะไม่มีความจาเป็น ที่จะต้องบริกรรมมใมีิมานจําเป็นที่จะต้องน้อเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณเหมือนกับเวลาที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่คิดว่าจะหยิบยามารับประทานแต่พอเวลาที่เรามีอาการเจ็บคไายได้ป่วยขึ้นมาเราจะรียบคว้ายามารับประทานในบันทีเลยึงได้เวลาเราอยู่ในคิดปลอดภัย เราก็จะไม่คาคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแต่พอเราไปอยู่ที่ไหนที่มันเสี่ยงกันเสี่ยงตายที่มีความหวาดกลัวใจมันจะคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณมันจะบริกรรมอยู่กับพุทธโธแมกอยู่กับใจอยเลยการที่มีกรรมบริกรรมแม่ติดอยู่กับใจอย่างต่อเ น, นื่องเป็นเหตุที่จะทําให้จิตโยงโยงเข้าสู่ความสงบได้ น, นักภาวนาส่วนใหญ่จริงมกักจะชอบไปหาที่เปรียวๆที่น่ากลัวเพราะเป็นที่ที่จะทำให้ได้รับผลจากการภาวนานี้นเองพวกที่อยู่ในสถานที่ปลอดภัยส่วนใหญ่าภาวนาไปเป็นปีเป็นสิบปีก็ยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรเพราะว่าใจไม่ได้มีคำรอยกลางแนบอยู่ ติดอยู่กับใจอย่างต่อเ น, นื่องอยู่เพียงสองสามวินาทีแล้วก็รับแต่เรื่องๆๆนั่นเื่องนี้แต่เวลาที่เราหวาดกลัวมากๆกลัวตายมากๆเราต้องรีบหาที่พึ่งเราจะเกาะที่พึ่งเหมือนกับคนที่จะจมน้ำเจลซากสดรอยมาก็ยังจะเกาะซากสดไว้เพราะความกลัวตายเนี่ย เพราะงั้นพวที่ต้องการผลนี้จึงต้องเด็ดเดี่ยวต้องไม่โกงสิ่งต่างๆต้องเจริญนอนยาวนสติอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้การที่เราไปงานสดนี้ก็เพื่อที่ให้เราได้เจริญนอนยาวนสติกันต่อไปนี้เราได้เจริญกันบ้างหรือเปล่า แล้วมีดวงตาเห็นธรรมกันบ้างหรือเปล่าเพราะการเห็นความตายนี้ก็ถ้าถ้ารู้จักพิจารณาให้เห็นตายลับในร่างกายก็จะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมกันยาได้อย่างที่พระอญยานกนทันยะเห็นว่าทำอะไรที่ในการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา มือนอกจากเห็นน่างกายแนละ้วก็ยังเห็นทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต้องดับไปมเช่นรา บ, บ เ, เมื่อแปลว่าสัมผัสไม่ใช่เช่นเดียวกันมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติด ก, กับสิ่งต่างๆพร้อมที่จะให้เขาไปไม่กลัวความตายไม่กลัวการสูญเสียการพัพดผ่านจากสิ่งต่างๆไปนี่คือ จุดหมายหรือจุดประสงค์ของการไปงานศดรางานสดไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามก็เพื่อให้เราได้ให้เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในสังขารนั่งการนี้เองเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกันไม่ได้ให้ไปเพื่อที่จะไปเราเก็บเก็บอัติเก็บก็อยู่ เอามาเป็นสมบัติอันนี้ไปแบบไปแบบก่เลยไปด้วยความโลภาปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาไปเพื่อให้เราไ ป, ปรตรงตรงวันนี้จังทุกขางมณาตาเพื่อให้ปรากฏมีเดลพาเห็นธรรมมีธรรมะจักสุปรากฏขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็จะดับความกลัวได้อย่างท้าวอนความกลัวที่ดับจากการปฏิกรรมสมาธินี้ก็เป็น การดับชั่วคล้วาวทุกเวลาทุกครั้งที่เราเข้าไปอยู่ในที่น่ากลัวมันก็จะเกิดความกลัวอย่างนี้ขึ้นมาอีกก็ต้องบริกรรมพุทโธไปอีกถึงจะดับได้แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าอย่างมากก็แค่ตายร่างกายนี้ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอย่างมากก็แค่ตายเราก็ยอมตายนี้ต่อไปมันจะไม่กลัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องพิจารณา ถ้ามันวาไน้อยปล่อยวางร่างกายแล้วไม่ยึดไม่ติดกับสังเานั่งก า, ายแล้วมันก็จะไม่กลัวกับอะไรต่างๆต่อไปนี่เป็นการ <c oughs> การดับความทุกข์อย่างถาวรด้วยปัญญาสมาที่นี้ดับได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่เกิดเหตุการณ์น้นขึ้นมาแต่พอมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นมาก็จะมีความกลัวเกิดขึ้น แต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายแล้วยอมรับความจริงนี้ได้ต่อไปจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนมนกระทบกับร่างกายทำให้ร่างกายต้องตายนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาไม่ก็ะจะไม่มีความกลัวเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับร่างกายนี้แล้วพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้ตายไปตามเวลาของเขา เหมือนกับว่าเราไปยืมของคนอื่นมาแล้วเมื่อถึงเวลาเจ้าของเขาจะมาขอเอาของคืนไปเราก็พร้อมที่จะมอบคืนเข้าไปเช่นเราไปยืมรถเพื่อนมาขับนันนี้ ม, มาว่าเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับบ้านเราก็เอารถคันนี้ไปคืนเขาน่าการนี้เราก็ยืมมาจากท่าสินดินน้าำลงไปเดี๋ยวถึงเวลาท่าสินเขาก็มาขอคืนไป เราก็ต้องมอบคืนเจ้าของไปถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่มีความรู้สึกเศรา้าโศกเสียใจหวาดกลัวไปอย่างใดแต่ถ้าเราหลงไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาที่เขามาขอทวงเอาคืนมาไปนี้ใจเราจะมีความทุกข์ทรมานอย่างมากความทุกข์นี้เกิดจากความหลง ที่ไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเป็นสมุทยัยเราเึงต้องเจริญมรรคด้วยปัญญาด้วยการไปงานศพเพื่อไปพิจารณาความตายนี้แล้วก็น้อมเข้ามาสู่สู่กายของเรากายที่เราไปกายที่ตายอยู่ในโรงนี้กับกายนี้ก็เป็นเหมือนกันจะต้องเป็นเหมือนกันถ้าเรา รู้อย่างนี้แล้วเราทำใจได้ยอมปล่อยได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราได้เจริญมรรคอย่างเต็มที่แล้วตอนมรรคมีกำลังนัรนี้ก็จะตัดความอยากหรือความอยากอยู่ความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราตลอด น, นี้ก็จะถูกตัดไปพอไม่มีสมุทยัยก็จะไม่มีความทุกข์ พอไม่มีความทุกข์ก็จะเป็นมิโรธดคือความดับทุกข์ขึ้นมานี่คือความสัมพันธ์ของอริยสัจสี่ทุกข์สมุทยัยมนะิรอดักเขาทำงานกันเป็นเป็นคู่คู่กันเป็นสองคู่คือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นคู่แล้วก็นิโรธกับนักก็เป็นคู่ถ้าสมุทัยทำงานความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น ให่เวลาไปอยู่ในที่กลัวแล้วเกิดความอยากอยากอยากจะอยากจะให้ร่างกายนี้กลอดภัยไม่อยากให้ร่างกายนี้ต้องเป็นอะไรไปก็จะเกิดความหวาดตัวซึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจแต่ถ้ามีมรรคที่สอนว่าร่างกายนี้มันยังไงก็ต้องตายก็ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้าตอนนี้ถึงเวลาที่มันจะต้องการก็ปล่อยให้มันเป็นไปยอมให้มันเป็นไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะตัดสมุทัยคือความยอยากให้ร่างกายนี้ปลอดภัยไม่เป็นอะไรได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะตายแล้วถ้าเราไม่ยอมมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมมันก็จะไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงว่า ยังไงก็ตายมันก็ต้องตายไม่ช่าก็แรงวนี่ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างมรรคกับสมุทนั่นเองถ้าถ้ามีความอยากมีความยึดติดก็จะทุกถ้ามีมรรคมรรคก็จะทำให้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากก็จะทำให้ปล่อยพอปล่อยง่ายก็จะไม่มีความทุกข์เช่ไม่มีความหวาดกลัวอยู่ภายในใจ ถ้าเราได้ปฏิ บ, บัติถึงขัานนี้แล้วก็แสดงว่าเรามีชาณะมีที่เพึ่ง น, นะเพราะเราปลอดภัยจากความหวาดกลัวจากความความตายของร่างกายนี้ได้แต่ก็ยังมีทุกข์กับเรื่องอื่นที่เรายัางต้องแก้ต่อไปเช่นทุกข์กับความเกิดทุกข์กับความอยากในการมีคู่ครองอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์อีกแบบนึ่ง คนเราที่จะต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันมีคู่ครองกันเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันมีความทุกข์ใจมันมีความไมส่สึกนเบเศร้าสร้อ ย, อย ง, ง่วงวาอจึงอยากจะมีคู่ครองมาเป็นเพื่อนมาให้ความสุขเราก็ต้พิจารณาอาศัศวะคุยความไม่สวยไห้งามแล้วก เราอยากจะมีคู่ครองเราก็อยากจะมีคู่ครองที่มีรูบล่างหน้าตาที่สวยงามถ้าเป็นคู่ครองที่ไม่สวยงามเราก็ไม่อยากจะมีถ้ามีคู่ครองที่มีมีอาการไม่ครบสามสิบสองหูงหนวกตาวบอดแขนขาดขาขาดอย่างนี้เราก็จะไม่อยากจะมีเราก็จะไม่มีอารมณ์ที่อยากจะอยู่กับเขาดังนั้นเราก็ต้องพิจารณา ส่วนของร่างกายที่ไม่สวยไม่งามาในขณะมีชีวิตอยู่ก็พิจารณาดูส่วนที่อยู่ภายใต้ของของผิวหนังเข้าไปเช่นาการที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเนื้ออวัยวะต่างๆดูให้เห็นแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นปักจุบันที่ร่างกายนี้ต้องขับออกมาเช่นเหมืองไข่ปัสสาวะอุจจาระอย่างนี้เป็นต้นเนื้อเกล็ดที่ไม่ไม่พึงปรารถนา ถ้าเราพิจาณอย่างนี้ในร่างกายของคนเห็นไว่ารูปร่างภายนอกจะสวยงามอย่างไรก็ตามอย่างถ้าเราเห็นส่วนอื่นที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังด้วยปยัญญาความกำนังจินดูปัญญ า, าที่จะเศษการนี้มันก็จะถูกระงับไปได้หรือเราจะพิจารณาดูร่างกายเวลาที่ตายไปแล้วเป็นอย่างไรก็ได้ ขึ้นอื่นขึ้นมาเวลาเน่าเฟะขึ้นมาอย่างนี้เป็นอย่างไรเป็นร่างกายที่หน่าร่วมหลับนอนด้วยหรือไม่ลองคิดถึงคู่ครองของเราถ้าเกิดเขาตายในวันนี้คืนนี้เราจะนอนกับเขาได้หรือเปล่าลองคิด อ, อย่างนี้ดูบ้างถ้าที่อย่างนี้ไปบ่อยๆต่อไปก็อาจจะไม่อยากจะนอนกับเขาก็ได้ถ้าไม่เกิดถ้าถ้าไม่อยากนอน ไม่อยากก็ไม่มีความอยากในการนร่่มหลับนอนก็ถือว่าเราก็ได้ดับความทุกข์อีกระดับหนึ่งก็คือราคาปัญหาราคานี้ก็เป็นตัวที่จะทําให้จิตใจของเราว่าง ม, ม, ม่นขุ่นงัวเวลาเกิดราคาขึ้นมาเนาะกินไม่ได้นอาไม่หลับจะต้องมีการระบายด้วยการไปร่วมหลับนอนกับกับบุคคลที่เรา อยากที่จะร่วมหลับนอนด้วย <c oughs> แต่ถ้าเราเห็นบุคคลที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนด้วยเป็หห เ, ปเหมือนซาสุพเป็นเหมือนกับเอเนื้อสัตที่เขาชําหละขายในท้องตลาดเห็นอาวัยวะต่างๆเห็นตับใจไส้ทุง ก, ก็จะไม่เกิดความอยากเกินก็จะหลับความอยากได้ก็จ ะ, ะ, จะยินตามลำพังได้ ไม่รู้สึกว่าเลยเศ้าสร้อยไม่เหงนี่ก็เป็นเรื่องของตันหากมักที่เราจะต้องต่อสู้กันต่อไปมักก็คือการเจริญพิจารณาความไม่สวยไม่านางความเป็นปฏิกูลของร่างกายเพื่อที่จะมาลบล้างภาพที่เห็นว่าสวยว่างางเราเห็นภาพภายนอกเห็นภาพที่เขาแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวสวย ก็ดูสวยงามเราต้องเอาภาพที่มีภายใต้ผิวหนังของเขามามาเปลืกเทียบมาลดล้างความสวยงาม น, นี้พอเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้สวยงามอย่างที่ว่าแล้วความอยากที่จะล่วมหลับนอนอยากมีเพศสัมพันธ์เลื่อนก็จะมันก็จะดับไปนี่ก็คือการเจริญนกักในท่านของอสของอสุภะของเราทาตัญหา แต่เราศึก้าเพื่องับดับมาท้าปัญหาส่วนส่วนส่วนสมุทัยที่ที่มีอีกขั้นหนึ่งก็คือความเจ็บหรือเรียกว่าเวทนาทุกคขามเวทนาที่เกิดขึ้นจากร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วน ก, ก, ก็ดีหรือเวลานาัางสนาธิเปันาแล้วก็เกิดอาการเจ็บปวด ต, ตามส่วนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้อง เจริมกักพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเขาก็เป็นไม่เที่ยงเขาก็เกิดดแบบับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามวาระของเขาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เราต้องอยากไปอยากกับความเวทนาอย่างหนึ่งแล้วก็ไปไปไปไม่อยากกับเวทนาอีกอย่าง เราต้องสอนใจให้ยอมรับกับเวทนาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขแน้อไม่ทุกข์ไม่สุข ก, ก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่ใจเรารับรู้อยูถ้าใจเราไม่มีอคติหรือถ้าไม่มีปัญหาความชอบหรือความไม่ชอบอยู่ใจของเราก็จะไม่ทุกข์แต่พอเกิดมีความชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นเวลามีสุดเมตนาเราก็จะชอบแต่พอสุดเมตนานั้นหายไปเราก็จะรู้สึกเสียดายเราก็จะรู้สึกเสียใจยเข้าๆหงายๆขึ้นมาก็ต้องวิ่งหาสุดเมตนาอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเราหากันทางตาหูจมูกมือกายนี้ก็หาสุดเวทนานี่เองเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันเข้าๆหงายๆ ก็ต้องออกไปหารูปเสียงกินนกต่างๆมาสร้างให้เกิดทุกขเวทนาแต่เราทําเท่าไหร่มันก็จะไม่มันก็จะไม่อยู่กับเราพอสักครั้หนึ่งมันก็จะจางหายไปเราก็ต้องวิ่งตะคุกเราอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับทุกขเวทนาเวลาเกิดความเกลีดยดกลัวเราก็พยายามวิ่งหนีมันหรืพยายามจัดการให้มันหายไป เช่นท่านนั่งแล้วเจ็บก็ต้องขยับตัวเชื่อที่จะให้ความเจ็บนั้นหายไปแต่พอขยับนั่งไม่ได้น้ำเดี๋ยวมันก็เจ็บขึ้นมาก็ต้องขยับอขยับอย่างนั้นแต่ถ้าเราสอนใจของเราให้ปล่อยวางทำใจให้เป็นอุเบกขายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปทำอะไรไม่ได้แต่เราสามารถรับ ก, กับมันได้ถ้าเราไม่มีอคติ คืเราอย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปอยากหนีจากเขาเขามาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปไปเขาไปเวลาเขาไปก็อย่าไปเหนี่ยวรั้งเขาว่าอย่าไปวิ่งตามเขาเช่นเวลาสุขเวทนามาเขาก็ต้องไปเราก็ไม่ต้องไปวิ่งตามเขาเวลาเขาไปเวลาทุกเวทนามาเราก็ไม่ต้องหนีเขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปเองเราอยู่เฉยๆทาใจให้นิ่น วิธีหนึ่งก็คือการบริการพุโทโธเหมือนกับการทําต่อสู้กับความกลัวก็แบบเดียวกันพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บริการพุโทโธพุธโทโธไปเพราะเราเป็นคนบอกเราเองว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นทุกข์หน่อเราไปบอกเราไปบอกเขาว่าเขาเป็นทุกข์เองแ้าเราก็าไปรังเกียจเขาเองคํามจริงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เลย เราต้องหยุดไอ้ตัวนี้ที่ไปลว่าเป็นทุกข์แล้วอยากจะหนีจากความทุกข์นี้ด้วยการบริกรรมพุโทโธให้ขีอย่าไปคิดถึงความเจ็บความทุกข์ไมทำงานถ้าไม่คิดได้วความทุกข์ที่มันมีความรุนแรกว่าความเจ็บของร่างกายมันก็จะดับไปก็คือความทุกข์ที่เกิดจากสมุไทยเกิดจากความไม่ชอบทุกขเวทนา น, นี้มันก็จะดับไปเพราะเรากำลังเจริญนมรรคจริญสมาธินั่นเอง พอมักคือมักที่เป็นสมาธินี้ทํา ง, งานต่อไปไม่นานความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็ดับไปพอความทุกข์ในใจดับไปแล้วถึงแม้ความทุกข์ทางร่างกายจะไม่ดับแต่ใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรอยู่ด้วยกันได้ต่างคนต่างอยู่ตางฝ่ายต่างทุกเขาก็อยู่ของเขาไปทุกทางร่างกายก็อยู่ของเขาไปแต่ใจก็สงบเย็นสบายไม่เดือดร้อน หรืถ้าจะใช้ปัญญาสักพิจารณาเลยก็ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เสมอใครไปว่าเขาเป็นทุกข์เองเราไปว่าเขาเป็นทุกข์แล้วก็ไปกลัวเขาเองไปอยากให้เขาหาเองถ้าเราไม่ไปว่าเขาเป็นทุกข์เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เขาอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเขาเกิดขึ้นมาก็ปล่อยเขาเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเราสอนใจได้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คือเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้นะเขาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ไปเองไม่ต้องปไปไล่เขาเพราะถ้าเราไปอยากให้เขาหายเราก็จะสร้างสมุทัยขึ้นมาเลยจังทำให้เกิดเป็นทุกข์ขังขึ้นมาแตนะ่ถ้าเราไม่มีสมุ ท, ทยัยไม่ได้อยากให้เขาหายไปไม่อยากจะหนีจากเขาไปเราก็จะไม่มีสมุ ท, ทยัยที่จะสร้างความทุกข์ใหญขึ้นมาซึ่งเป็น การทุกข์ที่รุนแรงกว่าเวททุกขเวทนาที่กำลังแสดงอยู่อยพอทุกขเวทนาที่เกิดทุกข์ที่เกิดจากสมุทยนี้ดับไปปั๊บนี้ทุกเวทนาที่เกิดจากร่างกายนี้ก็จะไม่รุนแรงพออยู่กันได้พอรักกันได้ไม่เดือดร้อนนี่ก็คือวิธีที่เราจะอนุ ม, มักในขั้นของเวทนา มันมีเป็นขั้นขั้ใจปฏิบัติไปมันก็จะเจอเห็นอย่างนี้ไปขั้นต้นก็ไปที่ขั้นว่างกายก่อนความความตายคัานสุภาษณ์แล้วก็เข้าไปขั้นนามขันก็คือเวทนาะหลังจากนั้นก็เข้าไปในจิตอีกทีในจิตก็ยังมีความสุขมีความทุกข์อยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับเวทนาในขันนี้ก็ยังมีสุขมีทุกข์เหมือนกันก็ต้องพิจารณาแบบเดียวกัน เวลาสุขก็อยากไปอยากให้เขาสุขไปตลอด <c oughs> เวลาก็ทุกข์ก็ปล่อยให้เขาทุกข์ไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขาแล้วเราก็จะสร้างสมุทัยขึ้นมาก็จะเป็นทุกข์อริยสัจขึ้นมาเราก็ต้องเจริญมรรคเพื่อที่จะดับทุกข์ที่เกิดจากสมุทยัยคือความอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปอยากให้เขาหายไป เมื่อเรารู้ทันแล้วต่อไปเราก็จะปล่อยวางได้่มดพอปล่อยวางได้หมนนั้ น, น, นเขาจะเป็นอย่างน้นเขาจะเกิดเขาจะดับเขาจะสุขเขาจะทุกข์นี้ก็จะไม่มามารบกวนมาสร้างความทุกข์ภัยในใจของเราเราก็จะมีนิโรธมีความดับทุกอย่างสมบูรณ์นี่เป็นการปฏิบัติ เพื่อบรความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในกายและในใจของพวกเราทุกคนเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพราะเรามีทางแล้วเรามีคำสอนแล้วเราไม่ได้ต้องไปคํำทางเพียงแต่เดินไปเท่านั้นเองมีทําหนนให้เราเดินอยู่แล้วเราไม่ต้องไปไปสร้างทางมีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ท่านทาทางให้พวกเราเดินแล้ว ท่านเดินไปก่อนหน้าเราแล้วท่านก็บอกให้เดินตามท่านไปทั้เองไม่เห็นได้ยากเย็นงนะไรเลยทำไมไม่ ไ, ไปล่ะก็เพราะอย่างยังติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นเองยังไม่เห็นว่ากำลัง ต, ติดอยู่กับลูกระเบิดยังไม่เห็นว่ายังติดอยู่กับงูพิษยังไม่รู้ว่าจะโดนกัดแล้วยังไม่รู้ว่าจะโดนลูกระเบิดระเบิดใส่หน้าเรา พอราเกิดขึ้นมาก็ช่วยหลังไมนะ่ได้งั้นก็ขอให้เราพยายามศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติให้มากแล้วปัญญาก็จะก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นแล้ววิมุตติก็จะเป็นผลที่จะเกิดตามมาต่อไปการพยายก็เห็นว่าสมควรแล้วขอหยุดทักหนันหน้าไม่ มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างรัมมีมมควงตาเห็นธงรมไหมมีแจะเรื่องจิตตกเขาไม่มีสเกตไม่คอยควบคุมจิตใจ้ก่ให้ใจตามสังขารความคิดัวใจเหมือนกันเวลาก็วิภาควิจารณ์ไป แล้วก็ว่าพุ่คขุมม่นวัวความสุที่ได้รู้งานรู้นำด้การที่จะเห็นว่ามันเป็นกรรมของสัตว์มันเป็นเรื่องของเินของกรรมเป็นเรื่องของวิถีของจิตแต่ละดวงที่เขาต้องทำไปตามปราษาของเขาแล้วไลังิชาวีคนถามปัญหาทำ ท่านารเทศบกวบาผมผิที่ถึงผู้ชัยคนนั้นที่ทำทำงานั้งแตหนต่เนี่ยต้องถามท่านว่าที่ไม่พิจารณากายได้เลยไม่พจาิตเลยทำไมเาเนเด่างดูดการอาการของิตนะคะเพ่อแก้อธิบายอีกดน่ไหรับท่าน็าไม่มีปัญหากับกายเขาไม่ต้องพิจารณนอะ แต่แล้วก็มีปัญหาเขาไม่พิจารณามันก็ไม่ปัญหามันก็ไม่หมบไปเราจะข้ามไปที่จิตมันก็ยิ่งยากเดียร์เพราะว่าจิตมันเร็วกว่าเหมันจับเต่ายังจับไม่ได้เราไปจับลิงก็ไปจับได้ไงร่างกายนี่มันช้าเหมือนเต่ามันยากแต่จิตนี่มันไวเหมือนยิ่งมันวิ่งแล้วถ้าเรายังวิ่งไล่จับเต่าไม่ได้แล้วเราไปจับลิงได้ บางคนเขาอยากจะไปทําขั้นสูงเลยเขาไม่รู้ว่าเขายังติดอยู่ว่าทําขั้นต่าอยู่ mm hmm. ยังอยู่อยู่อนุบานแตอยากจะไปเรียน ม, ยนมัธยมเรียนก็ไม่สอบไม่ผ่านเรียนกี่ปีก็ไม่อยู่ทำผ่านได้เข mm hmm. าอาจจะเห็นตัวอย่างของคนบางคนว่าเขาไม่ต้องไปเรียนงานกายนั่นก็เป็นเพราะาเขาอาจจะเรียนจบมาแล้ว เขาผ่านมาแล้วเราไม่มีปัญหากับเรื่องของกายแล้วถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความตายเรื่องอสุขภาพแล้วมันก็ไม่ต้องไปเจริญมันอยู่ที่ว่าเราติดอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของเราอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องแก้ปัญหาไปตามขั้นตอนของมรา ในสติปัะฐานสูตรก็จะแสดงไว้กายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมมันก็เป็นขั้นของมันอยู่แนละ้วกายก่อนนะกายแล้วก็เวทนาไปประจิตส่วนธรรมก็คืออนริยสัจสิที่มีอยู่ในทุกขั้นทั้งสามขั้นขั้นกายก็มีขั้นเวทนาก็มีขั้นจิตก็มีต้องผ่านอริยสัจสี่ทั้งสามขั้นมีไป <c oughs> ขัานกายก็มีมีสมไทยที่เกี่ยวกับกายคือความรักตัวกลัวตายนี้ก็เป็นสมไทยทั้นเวทนาก็คือความรักความรักสุขเวทนาความแม่ชอบทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นสมไทยขั้เวทนาขั้นจิตก็เหมือนกันการรักความสงบความสุขในหยียดของจิตมันก็เป็นสมไทยเหมือนกัน เพราะมันยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงมันยังเป็นไจละมันก็เป็นสมิไทยก็ต้องใช้มรรคสติปัญญาสมาธิพิจารณาให้รู้ทานว่ามันเป็นใจละและยอมรับความจริงของเขาอย่าไปจัดการอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเหมือนกับเราปล่อยปล่อยผลอย่างเงี้ยผลตกแดดออกนี้เราไม่ไปจัดการกับเขาเลยก็ปล่อยเขาไปตามเรื่อง ตกก็ได้ไม่ตกก็ได้เราอยู่กับเขาได้ทั้งสองส่วนเราก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจการปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ความวุ่นวายใจเท่านั้นไม่ได้ไปดับอย่างอื่นร่างกายก็ไม่ได้ไปดับพลังก็ไม่ทํถถางานก็ไม่ได้ไปดับวิทยาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเวทน่างกายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมขันก็ยังเป็นขันอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า มันไม่ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเพราะถูกมกนะักดตัดกิเลสออกไปแล้วมีขันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมะไปเช่นพระพุทธเจ้าก็ใช้ขันห้านี้มาแสดงธรรมมาโปรยญาติโยมสั่งสอนญาติโยมก็ต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งแตดปรุงแต่งในเรื่องธรรมะเรื่องมากอย่างเดียว สอนใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือร่างกายก็จะได้มีปากพูดให้ฟังแต่พอขันมันเสื่อมมันหมดสภาพก็ไม่สามารถที่จะจะใช้มันได้ต่อไปก็ก็ต้องปล่อยมันไปขันก็ยังเป็นขันอีกขันของพระพุทธเจ้าขันของกุฎุชนก็ยังเป็นขันเหมือนกัน แต่ว่าขันของปุถุชนนี้เป็นเครื่องอยืนของกิเลสกิเลสใช้ขันนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับเราความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากกิเลสไม่ได้เกิดจากขันขันเขาก็เป็นขันเขาอย่างนั้นเขาก็เป็นอนิจจังทุกข์ขันมัตตาแต่กิเลสไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอนิจจังทุกข์งันวนาตาัตตากิเลสพยายามพื้น บอกว่าเขาเป็นสุขขังอัตตาเป็นมิตเป็นเป็นสุขเป็นตัวเราของเราเป็นสิ่งที่ที่เแท้แน่นอนอยู่กับเราเราจะคิด่บงนี้เกี่ยวกับร่างกายของเราเกี่ยวกับความสุขของเราสุขประเวทนะเราะเราก็อยากจะให้มีสุขไปตลอดร่างกายก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดมันขัดกับความจริงความจริงที่เรียกว่ามันมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์เราไม่สามารถไปควบคุมบางทับ ก, ก่อนได้นี่ถือแนวทางของปัญญาทุกขั้นตอนนะไม่ว่าเราจะอยู่ขัน้นไหนเราต้องใช้ใจรักนี้เป็นเป็นตัวตัวทำให้เกิดตัญญาขึ้นมาเราต้องพยายามมองให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราเรามีปัญหาอยู่ด้วยเราต้องเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ มากประสบเราก็เห็นว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยเขาปล่อยวางเขาถ้เราอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาว่าเขาก็บางทีก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเพราะเขาไม่เที่ยงถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นแล้วเขาไม่เป็นเราก็จะทุกข์ถ้าเราเฉยๆทีเดียเขาจะเป็นก็เป็นเขาไม่เป็นก็ไม่เป็น เราก็จะไม่ถึกเพราเราไปควบคุมบางครับเขาไม่ได้พยายามลองอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าราบยักสริมเสริมหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นารก็เป็นแบบเดียวกันเราไปบังคับเขาไม่ได้บังคับให้มีงนรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปตลอดเวลาไม่ได้บังคับให้เราได้ตําแหน่งต่างๆที่เราต้องการไม่ได้ บางทีก็ได้บางทีทำไม่ได้บางครั้งให้คนเขายเกเย่อสนอเสนอเราอย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งก็จะต้องมีคนเขาด่าเราบ้างมีเขามีคนเขาตำหนิเราบ้างเป็นธรรมดาเป็นโลกธรรมเราอยู่อยู่กับโลกธรรมนี้สัมผัสรับรู้แล้วอยากไปยึดอยากไปติดอยากไปอยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากมันก็จะทุกข์ ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไกรลักเราก็จะไม่ประยุึดเป็นติเราเห็นว่ามันมีกำเนิดมีเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญราบได้ก็มีการเสื่มราบได้มีการเจริญยศก็มีการเสื่มยกได้มีการนั่งเสริมก็มีลาต ไ, ได้มีสุขกับโลกเสียงกินนกได้านก็มีความทุกข์กับโลกเสียงกินนกได้เหมือนกันเช่นคนที่เรามีความสุขด้วยตายไปเราก็มันก็จะตายมีความทุกข์ขึ้นมา คนนั้นเคยให้ความสุขกับเราตอนนี้เขาให้ความทุกข์กับเราแล้วที่เราต้องนั่งร้องโหย่้องไห้กินไม่ได้นอนไม้หล่บก็ขานก็เขาละไม่ใช่เ<อ>มื่อก่อนนี้เขาให้ความสุขกับเรา เ, ราเวลาที่เขามีลมหายใจแต่พอเขาไม่มีลมหายใจแล้วทีนี้เขาก็ให้ความทุกข์กับเราแล้วและเรายังไปหลงเขาอีกเลยก็ติดกับเขาอย่างนี้เราต้องรีบถอนตัวออกมา ก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ต่อไปได้แต่ใจอย่าอย่าไปยึดอย่าไปติดใจต้องพร้อมที่จะรับ ก, กับการเปลี่ยนแปลงของเขาต้องพร้อมที่จะรับกับความตายของเขาหรือการเปลี่ยนความรู้สึกของเขาก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะดีกํา ล, ลัลงรักเราชอบเราพรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเราโกรธเราไปไดไ้คิดอย่างนั้นบ้างพราะมันไม่มีอะไรที่นแน่นอนมันเหมือนเหรียญสองด้านเนี่ยเราโยนขึ้นไป อันนี้โยนขึ้นไปลงมาก็เป็นหัวเดี๋ยวเท้าน้าโยนขึ้นไปโยมามันอาจจะเป็นต้อยก็ได้เราต้องรับได้ทั้งสองด้านดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ทำหนังก็เหมือนกันขึ้นก็ได้ลงก็ได้ถูกไล่ออกก็ได้ทำไมไม่ได้ก็เราไปไะยึดไปติดเอาเอง เราเป็นหลงเองว่ามันจะต้องไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราเพืไถ่เดือนร้อยก็เราเองอะบงทีมีนก็ข้าตัวตายก็ยอมรับไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญามีใจรักอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วมันจะรู้สึกเฉ่เฉยดูทันรู้ว่ามันจะมาแบบไหนเราเตรียมวัดไดททท้ทุกรูปแบบ มาข้างบนก็รับได้มาข้างล่างก็รับได้ยังไงก็ได้มาพูดอย่างนี้ได้ไหมว่ายังไงก็ได้อะไรก็ได้ให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ให้ตําแหน่งอะไรก็ได้ขึ้นเงินเดือนก็ได้ลดเงินเดือนก็ได้ไล่ออกก็ได้คนต้องอย่างนี้ถึงทันยศถึงจะดุจคน อพยายามอย่าไปให้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นีน่คือกิเลสนี่คือการอการเข้าตัวตายนี่เป็นการทําลายใจของเราเองต้องทําใจให้เราให้ลอยไปลอยมากับเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับแพแพแพที่มันลอยขึ้นลอยลงตามเรือที่ที่ลอยขึ้นลอยลงตา ม, ตามนะ้ำน้ำขึ้นเรือนก็ลอยขึ้นน้ำลงมันก็ลอยลง ไม่เหมือนกับแพที่มันไม่รอยขึ้นรอยลงเวลาน้ําลงนี่เวลาจะลงเรือมันคือต้องใช้บันไดเพราะว่าเรือมันมีอย่ต่กว่าต่ำกว่แพต่ำกว่าแพถ้ า, า, ท, าท่าเรือแล้วถ้าเกิดน้ำมัสูงมันก็จะท่วมแพไปก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรือนี่มันก็ไม่เป็นปัญหาน้ําจะขึ้นน้ําจะลงมันก็ขึ้นวงเป็นธรรมชาติใจเรายยก็ต้องขึ้นลงกับราบเรือพอแล้วเ ส, น, สนี้ มันขึ้นแล้วก็ขึ้นกับมันมันลงแล้วก็ลงกับมันวิธีหนึ่งก็คือเราอย่าไปอย่าไปเพิ่มมันอย่าไปอาศัยมันนี่องอยู่แบบพระออกเดือดก็จะหมดก็จะตัดปัญหาเรื่องราบเยอะแตะสนุนขัดง่ายอยู่แบบพระอยู่ตามมีตามเกิดอยู่มากน้อยสัมโดเอาเท่าที่จําเป็น เราจเป็นของชีวิตของร่างกายเ่าเนี้มันไม่มากมีข้าวรับประทานวันละื้อก็อยู่ได้แล้วเราเป็นไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองแต่ถ้าเราต้องใช้เงินทองมากเพื่อให้มีความสุขอันนี้ก็จะเดือดร้อนเวลาเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมาก็จะเดือดร้อนเวลารายได้ลดลงไป น, นี้ก็จะเดือดร้อนเพราะต้องตัดรายจาก ใใจายขณะนี้อะไรนี้ไม่มีไม่มีที่จะจ่าก็ต้องลดลงถ้าเราลดลงนี้ก็จะรู้สึกทุกข์ึ้นมาแต่ถ้าเราลดลงไว้ก่อนล่วงหน้าแนละ้วก่อนที่มันจะบังคับให้เราลดนี้พอถึงเวลามันจะบังคับให้เราลดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราลงมาอยู่ที่สี่แล้วไเราจะไปอยู่ที่ร้อย พอถึงเวลาจะต้องลดลงมาที่แปดสิบที่เจ็ดสิบที่หกสิบนี้ก็จะรู้สึกปวดหัวใจแล้ะไม่สบายใจไม่พอใจ แ, แต่ถ้าเราอยู่ที่สูงเนี่เขาจะลดยังไงก็ไม่เดือดร้อยอยู่ที่สูงก็คือทําจิตให้มีความสุขนี่เองถ้าจิตมีความสุขแล้วไม่มีมันก็อยู่ได้เพราะไม่มีความจําเป็ น, นเรื่องไปซื้อความสุขจากภายนอก ทุกวันนี้เร า, าสายเงินไปซื้อความสุขจากภายนอกกันแ้น ท, ที่เราจะหาความสุขจากภายในเราจะหาความสุขจากภายนอกและเราต้องปรับชีลูกของเราเองทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็าสายความสุขจากภายนอกอยู่ในพระระชวังก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้ความสุขกับท่านแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่เทีย่ยงแล้วมันก็จําเจน ถ ja. es, ้าถ him ้าดูบ่อยๆฟังบ่อยๆเรื่องเดียวกันของเก่ากินของัซ้ำๆซ้ำๆมันก็เบื่อะมันก็ต้องหาของใหม่ของของใหม่ดูของใหม่จินมันก็เป็นความทุ็นเรื่องยุบแบบดูไม่ต้องไปเอามาเยอะดูปะกินก็กินแบบกินยาทั้งนี้กินเพื่อเพื่ออยู่กินเพื่อให้ให้ยากับร่างกายทั้งนี้แต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขไม่ได้ดื่มเพื่อความสุข เอาความสุขที hmm? ่เก oui. ิดจากการทําจิตให้สงบดีกว่การทําจิตด้วยการบริกรรมพุทโธเน้นด้วยการพิจารณาตายรักละปล่อยวางาอจิตพิจารณาใจรักละปล่อยวางได้จิตก็จะรวมหนุนเข้าสู่ความสงบและเป็นความสงบที่มั่นคงแน่นแฟ้นกว่าความสุขที่เกิดจากการความสงบที่เกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเพราะนั้นเป็นสมาธิ เกีการพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วปล่อยวางได้นี่นี่เป็นปัญญาปัญญานี่ก็เป็นเหมือนการถอนหญ้าถอนหญ้าถอนโคลงหญ้าที่ถูกถอนรากออกไปแล้วจะไม่มีวันที่จะ เ, เกิดขึ้นได้อีกแต่ถ้าเป็นสมาที่ก็เป็นเหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้ไม่ได้ไม่ได้ถอนรากของหญ้า พอออกจากสมาธิเอาหินยกหินขึ้นมาเดี๋ยวหญ้ามันก็นงอกเงนขึ้นมาพอออกจากสมาธิั๊เดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่เพราะความอยากยังมีอยู่ภายในใจแต่เบื้องต้ก็ต้องใช้สมาธิก่อนเพราะว่ามันมันง่ายกว่าการเจริญปัญญายกเล็กคนที่มีจริตทางด้านปัญญาคนที่เป็นคนที่คิดทางปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เขาก็จะใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ใช้ปัญญาข่มจิตทําจิตให้เข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าคนที่คิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นเขาก็ต้องใช้การบริกรรมไปก่อนเพราะมันง่ายกว่าแต่พอออกจากสมาธิแล้วถ้าอยากจะให้จิตสงบอย่างถาวร <c oughs> ก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาใจนะ เพื่อที่จะปรับสมดุลไทยความอยากต่างๆนั่นเองอันนี้ก็ต้องทําเหมือนกันทั้งสองส่วนผู้ที่ได้สมาธิจากการใช้ปัญญาก็ต้องมาพิจารณาายนักในเรื่องอื่นต่อไปผู้ที่บริกรรพุทธโธเล้าจิตสงบพอออกจากสมาธิก็ได้มาพิจารณาเรื่องอื่นเหมือนกันคือก็คือต้องมาพิจารณาขันห้าเพราะขันห้านี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ เนื่องจากจิตไปหลงมิติดมีอุปทานในขันธ์ห้านี้ก็ต้องพิจารณาอย่างที่เราพูดไปนี่ต้องพิจารณาความตายความแก่ความเจ็บพิจารณาความไม่สวยไม่างามพิจารณาทุกเวทนานี่ก็ขันธ์ห้าแล้วก็พิจารณาจิตนี่เป็นปัญญาสมาธิทําไม่ได้สมาธิไม่สามารถที่จะ ทำให้ความทุกข์ดับได้อย่างเทายอมดับได้ชั่วข่าวเมื่อเวลาเกิดทุกขเวทนมาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปพอจิตน่วมงงเป็นสมาธิความทุกข์ก็ดับไปชั่วข่าวแต่พอ้องออกมาแล้วมาเจอความทุกข์ใหม่ก็จะต้องเป็นใหม่ก็จะทุกข์ใหม่แต่ถ้ามีปัญญาแล้วแล้วตัดความอยากความ ความความชังในทุกกเวทธนาได้ปล่อยให้ทุกคนาเขาเป็นไปเขาแสดงไปเขาอยากจะแสดงก็ปล่อยเขาแสดงไปต่อไปเจอทุกกเวทธนาทีครั้งก็จะไม่ไม่ทุกข์กับมันก็จะเฉยเฉยมีก็มีไปเหมือนกับเราหัดให้คนเขาด่าเราคนต้องราไม่ชอบคนด่าพอเวลาได้ยินเสียงคนด่าเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างถ้าเราสอนให้เราทรนะใครอยกจะด่าให้ก็ด่าวันนี้เปิดโอกาสให้ก็ด่า ให้เต็มที่เราจะไม่ตอบโต้เราจะฟังเฉยๆถ้าเราสอนใจให้เราทํานี้ไปเรื่อยๆต่อไปใครจะด่ามากกาเช่นกันเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะจใจมันมันเฉยแล้มันรับได้มันก็จะไม่ชุกในการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็สอนให้ใจรับรู้เฉยๆจับแต่ว่ารู้อย่างพระวิชาทรสอนว่าได้ยินก็จัแต่ว่าได้ยินเห็นก็จับแต่ว่าเห็น อย่าไปนักอย่าไปชังอย่าไปมีอคติตัดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสรักน้ะเราจะไทุกข์ความดับทุกข์ก็อยู่แค่ตรงนี้อยู่ในใจเราเนี้นิพพานก็อยู่ในใจเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนมันไม่ได้เป็นสถานที่วิชานี้ก็ที่ับใจเรานี้มันเป็น เหมือนบ้านที่มีห้องอยู่หลายห้องด้วยกันใต้ท้อคือสวรรค์หรือในรลกนี้มันก็อยู่ในใจเรามันเป็นห้องห้องแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเข้าห้องไหนที่บ้านเราเราก็มีหลายห้องนมีห้องนอนมีห้องนั่งมีห้องครัวมีห้องรับแขกมีห้องนั่งเล่นเราก็เลือกเข้าห้องแต่ห้องแต่ตามความชอบพอใจของเราในใจเราก็มีห้องร้อนห้องเย็นห้องร้อนก็ห้องนรกเนี่ยห้องเย็นก็ห้องสวรรค์ เขาวแต่ว่าเลือกเข้าส่วนใหญ่เราชอบเข้าห้องร้อนกันาการมีเนืงุ้มร้อนเราไม่เข้าห้องเยง็นพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าห้องเ ย, งย็นให้ทานให้ทําบุญทานสีธรรนาเนี่ยเป็นการเข้าห้องเยง็นแต่เรามันชอบเข้าห้องโลภโมโทสันกันเห็นอะไรก็โลภเห็นอะไก็โกรธเห็นอะไรก็หลงมันก็เลยเข้าห้องร้อนกัน อย่าไปหามนโลกสวรรค์ว่าอยู่บนฟ้าก็อยู่ในอยู่ในดินนะนันไม่ได้หรอกนรกสวรรค์มันอยู่ในใจย่าเนี่ยมันเป็นห้องห้องแล้วแต่เราเลือกจะเข้าห้องไหนมันก็มีอยู่สองห้องใหญ่ๆเนะ่ยห้องร้อนกับห้องเย็นแต่เราชอบของร้อนเองพุทธเจ้าบอให้เข้าห้องเย็น เราออกตรวจตึกวิเวกการนำทางแต่พวกเราชอบเข้ารูปหารูปเสียงกินรสกันแล้วก็รูปร้อนกันแล้วก็สงสัยว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือเปล่าทั้าทั้นี้มันอยู่ในใจเราตลอดเวลาทํามองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์กัง นิพานนี่ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดนะพูดง่ายห้องที่เย็นที่สุดเนี่ยห้องเย็นนี้มันก็มีหลายอ่ะมันแบนเป็นหลายห้องชั้นเทพชั้นพรมชั้นนิพานเนี่ยมันก็ความเย็นต่างกันไปห้องร้อนมันก็มีความเย็นต่างกันไปห้องเดรัชชานห้องเปรียงห้องนรกเนีความย้อนก็ต่างกันไมันมีมีในกายเรานี้ทั้งนั้นแ่ละมันไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ต้องสังสัยนะไม่ต้องสองสัยเรื่องนรกเรื่องสว่างเรื่องมรรคของนิพพานเรื่องเวรนว่าทตายเกิดมันอะไรนี้มีใ น, ใ น, ใ น, ในตัวเราอยู่ในใจเราเป็นคนที่เกิดจากบุญกรรมที่เราทํำกันอยู่เนี่ยพราเจ้าเป็นสอนว่าอย่า ท, าทํบบ า, บบ า, บ า, าบาเห็นียสัมปะปาสัมปะปาปัสสะอกกัลนังยองละบาตทั้งตัวเสียงกุศละุู้กัสังกัชายองยังกุศลให้ถึงพร้อม จับจิตะปเยวดักปนังจงชำระจิตให้สะอาดาตอนสุดตัดความร่วงโรยโทรศัพต่างๆให้หมดไปจากจิตจากได้แล้วใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจจะอยู่ในห้องเย็นตามลบบําดับชั้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ชั้นเทพขึ้นไปถึงชั้นชั้นนิพพานไม่ต้องไปทางว่าขึ้นพระเจ้าอยู่ที่ไหนหลวงตาอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ในห้องเย็นนี่แหละไ ม, ม่ไปไหนแรอก ตายก็ไม่สูงเลยบรรลุนิพพานยังไม่ได้สูงเป็นไหนนะหรือกับเราเป็น อ, ปอยู่ตอนนี้แหละเพียงแต่ว่ามันเย็นกว่านี้เท่านั้นเองสุขกว่านี้สบายกว่านี้ด อ, อย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปเสียดายอะไรสิงต่างๆนั้นเป็นที่เราหลงอยึดถือเป็นตัวเป็นเชื้อไฟของความร้องเท่านั้นแหละเป็นยาพัก ราคะกินาเบสักกินาโมหกิ น, กนเป็นไฟที่ทำเป็นไฟของความความราคะของของความโกรโกโทรสะและของความหลงมันอยากไปโลกอยาไปอยากกับสิ่งต่างๆแล้วไฟของความไฟของความโลกความโกรความหลงมันก็จะดับไปก็คือความทุกข์ใจนี้เอง ความทุกข์ใจดับไปมันก็เย็น ม, มันก็เป็นสวรรค์เป็นนิทานก้นก็ไม่มีใครทำแทนเราได้นะพูดมนาะถ้าเป็นธาตุตายก็ทํทำแทนให้อของใครของผมรักประทานอาหานไม่มีใครกินแทนก็ไดนะ้ต้องกินแทนกินกันเองถ้าไม่กินก็หิวถ้ากินก็อิ่ม ก็จงผู้ตอนตัว่าคนที่จะพิจารณาจิตได้คือเขาต้องเขาต้องวางเรื่องกายไปแล้วาต้องํากายไปแล้วซึ่งจริงๆเขาก็ต้องรู้นะครับว่าก่อนที่เขถึงวันนี้เนี่ยเาต้องผ่านการพิจารณากายมาก่อนแล้วถูกเนี้ยไม่ช่อยู่จะพิจารณาจิตได้เลยถ้าเขาไม่มีปัญหากับเรื่องความใารเขาไม่มีภารมเก่กับเรื่องการอยากจะีทร่มีเขาก็ไม่รู ไม่รู้จะไปพิจาราร่างกายช่วยทำไมแต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นได้นี่ เ, เขาก็องผ่านการพิจารณาไปก่อนใช่ครับก็ต้องผ่านไในทางทีนี้คนที่เกิดมาเป็นสกิทาคาเลยนี่เขาเขาพิจารณาจิตเลยได้ไหมครับอย่างนั้นเขายังไม่ยังไม่ผ่านการ เ, เขายังไม่ผ่านโดยขาดโดยสมบูรณ์ทําได้เพีย ง, ออ บ, างบางส่วนบางส่วนเท่านั้นเองทำราคะให้เ บ, บาบางไปครับแต่ยังไม่เหมดไมครับแต่ถึงจุดจนนั้นเขาก็ต้องรู้ว่า วิธีทาง<ร>าทีท่ถูกต้องก็คือต้องผ่านการมาก่อนถ้ายังมีเวลาท่าอีกถ้ายังเห็นแล้วก็ยังเกิดอารมณ์อยูเขาก็ต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้ต้องเห็นแล้วแล้วรู้สึกเฉยๆไม่มีอารมณ์ดิฉั้นแจ้งครับของอันนี้มันมาต่อกันก็ต้องทําอันเริ่มไปใหม่ก่อนในชาตินี้คือไม่เริ่มันก็ทําต่อจากที่เราเคยทำมาก่อนเพราะจิต ไ, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสื่อมไปมีแต่ร่างกายที่เสื่อมไป พอจิได้ร่างกายเหมือนก็ทําหม่เหมือนคนขับรถพอรถเสียตรงนี้ก็เดินไปหารถทําใหมอพอได้รถทำใหม่ก็ขับเข่าไปเลยไม่ต้องกลับไปเริ่มหัดขับรถนห้่ตอนที่เราเพิ่งมาหัดขับรนใหม่เพราเราขับเป็นยาเรารู้แล้วเราต้องทําอะไรครับถ้าสิบัญญาการมีจะมีอยู่แค่ชาติเดียวครับเพอทํารรมที่เกิดชาตินั้นก็จะผ่านร่างกายได้อย่างแน่นอน ถ้ายังไม่บรรลุภาคฐ า, านตายไปก่อนก็จะไปเป็นพระก็จะเป็นพระนาคเองแล้วก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสุดทาวาสพรชั้นแล้วก็จะจะได้นิพพานในในสวรรค์คือในจิตนั่นแหละจิตที่เป็นสวรรค์ทั้นผงเขาะจะไม่มีความต้องการร่างกายมาเป็นเครื่องมือเหมือนกับพระโสดามันหรือพระสกุลนาคเองเพราะก็เพราะ พรเขาไม่มีราคาตัณหาถ้ามีราคาตัณหาก็เคยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเลีก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมีตาหูจมูกยิ้นกายไว้สำหรับดูได้ฟังไว้ต่างๆแต่พอมันไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วร่างกายก็ไม่มีความจํำเป็นต่างๆหรือถ้าเราไม่ต้องการมันไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อใครเราก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือ เราไม่ต้องการติดต่อครับเราก็มีมือถือก็ไม่มือถือก็ไม่ไม่มีความหมายแล้วแต่แล้วเรายังต้องติดต่อเพราะนั ytic, ้นก็ไม่อยู่ตลอดเวลาแต่าพวกเราที่เป็นเนื้ออย่างนี้เครื่องมือถือนี่ก็ไป็นเนื้อเป็นปัจจัยที่หกนะแต่กายที่ห้าต้องอยู่ติดกายตลอดเวลาเพราะเรายังต้องติดต่อถ้าเรายังมีราคาอยู่เราก็ต้องการร่างกายเป็นเครื่องนือ แต่พอเราไม่มีอาครร่างกายนี้ก็ไม่มีความเต็มเต็มผ้านาคางเองก็เลยไม่กลับมาเกิดเป็นอันนี้ดิหรือถ้ายังไม่ตายท่านก็ไม่ยุ่งกับเรื่องร่างกายเนี่ยไม่ต้องพิจารณาไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายความตายก็ไม่กลัวความอาถรรความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่มี เพราะ้นผู้ที่อ พ, พิจาราจิตเล่ยทันทีนี้ก็ถือผู้ผู้ที่รู้เป็นอนาคาแล้วเท่านัา้นาาถูกไหมอาจอารย์ซึ่งนั่นหมายความไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเหรอถ้อยังเป็นยังไม่ตา ย, ยา ก, กยังเป็นม น, นุษย์อยู่แต่จิตเป็นใครไปบ้าจิตเป็นจิตอนาคาเนี้ถือว่าเป็นจิตธรรมาคนจะเข้าเข้าสูา่ทนทนิพพานต่อไปนก็ได้พิจาที่เลว กับพื้นและเอียดินภายในจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่นี่ก็ต้องย่อมรู้ว่าสนทางที่ผ่านมามันต้องพิจารณาอยู่อยู่ดีถูกไหมครับที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นยกเป็นคนที่หลงไปนะฮะ<ช>ถึงไม่ไม่<ช>เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องรักษากายที่ตายแที่ถึกได้ก่อนการที่เห็นว่าก า, ารเวทนาสัญญาทังขารนี้นเป็นเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลกรพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ซึ่งแน่ น, น, นอนปุถุช น, <อ>นธรรมดาย่อมไม่สามารถที่จะข้ามตรงนี้ได้แน่นอนต้องผ่านการพิจารณายอย่างแน่นอนต้องผ่าที่พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วไม่ยึไม่ติดกับมันมันจะเกิดจะดับก็เป็นเรื่องของมัน <ๆ S 1> ก็จะไม่ทุกกับการดับของร่างกายแล้ว ก, ก็ต้องพิจารณาอสุภะปฏิกริยเพื่อก็ออดับการมรรคซึ่งเป็นสัยญาณข้อที่สี่ พระโสดาบาังนี้ละสังโยชน์สามข้อแรกคือส ก, กายะทิฐิคือการเห็นว่ากายนี้เป็นตัวเราของเราขันห้าเป็นตัวเราของเราท่านจะเห็นว่ามันเป็นเป็นสภาวธรรมเป็นนิจจ์ทุกครังมอนึกตาแล้วท่านก็นจะไม่กลัวความความตายแล้วท่านก็นจะละความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เพราะท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้า คำสอนพระพุทเจ้านี้เป็นจริงเพราะได้พิสูจน์จากการปฏิบัติเพราว่าเป็นอย่างที่ทรง ส, สงั่งสอนไว้หรือแม้จะไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยก่อนก็จะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้านสอนคำสอนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนสมมติเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมญาติสอนเพราะผู้ที่มีดวงใจทำนี้ก็คือญาติสอนเอง ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอผู้ที่พิจารณาจนเห็นใจมักอย่างชัดเจนในขันห้าก็จะละสงโยความยังในสงสารแล้วก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความดีความเชื่อนี้นอยู่ที่การกระทําของจิตนี้เองอยู่ที่ความคิดของจิตคิดดีก็เป็นความสุขคิดเชื่อก็เป็นความทุกข์ <c oughs> ก็จะเป็นผู้ที่ไม่ทําบาปต่อไปเพราะว่าการทําบาปนี้ก็เกิดจากการคิดเชื่อคิดไม่ดี เรคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นคนทําบาปเพราะว่าอยากจะได้สิ่งนั้นถึงนี้แต่ไม่รู้ว่าความอยากนี้สร้างความทุกข์ขึ้นมาเราคิดว่าการได้ถึงนั้นงนี้มาแล้วจะแบบความทุกข์ได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นมันกลับทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะเราไปทำบาปเราไปทําบาปมันก็จิตใจก็ยึงว่าวุ่นกลัวก็ใจไม่ไม่ไม่ ไม่ทำบาปรือว่าีเราจะเห็นกฎแห่งกรรมที่ปรากฏขึ้นในใจนี้ถ้าสุขทุกข์นี้อยู่ที่ใจถ้าทิกทางบุญทางกุศลก็จะมีความสุขทิศไปในทางบาป ก, ก็จะมีความทุกข์ <c oughs> ก็จะไม่ทำบาปต่อไปจะรักษาสิ่ข้าได้อย่างยาวชั่ว นี่คือสถานภาพของพระเสดาจมาในสามข้อของสังโยชน์สามเลยมันต้องเรียงเวงอันไหนก่อนี้ยหรือว่าอันไหนก่อนมันยะมันจะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันพร้อมกันเลยแต่พอมีมันพอมันเห็นอย่างพระอังยังก่อยใจยากเห็นไหมจะเห็นว่าถ้าเห็นว่ามีการเกิดมีการดับก็จะไม่ไปยึดไปติดก็จะไม่ไปทํำบาปเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่มันจะดับเช่นนัางการของเรานี้ยนั่งการเราจะตายคนอื่นจะมาฆ่าเราเนี่ยเราก็ไปฆ่าเขาก่อน แต่นี่เราจเขาจะไม่เห็นนั้นแค่ที่ว่าถ้าร่างกายจะตายก็ตายไปแต่ถ้าไปทําบาปแล้วมันจะทําให้จิตใจเสีย่อมลงฝันลงจิตใจเหมือนการเดินเข้าห้องห้องร้อนแทนที่จะเข้าห้องเย็นถ้าปล่อยงร่างกายปล่อยให้เขาค่าไปก็เหมือนการเดินเข้าห้องเย็นใจเย็นใจสนงบร่างกายตายแต่ใจเย็นใจสงบหรือถ้าจะเลือกเข้าห้องร้อนร่างกายยังอยู่แต่ใจมันจะร้อนร้อนไดฆ่าใครก็ดีมาตัวเองยังดี มันจะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันสามสามข้อนี้มันจะมันจะเห็นพร้อมๆกันมันมันต่อเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเห็นเห็นตายนักในขันห้าล้วมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นเห็นพระพุทธเห็นเห็นเเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ฐานกุศลน่าจะเห็นอายุยะำสอก็คือเห็นตัวเองก็เป็นอายุย่ำสองกุศลนะแล้วก็จะรู้ว่าอ ความสุขความเจริญหรือความเสื่มนี้มันไม่ได้อยู่ที่การจะทําพิธีกรรมต่างๆไปเรียกศีลวัดตระต่างๆพอเราเวลาจิตเวลาตกต่ำชีวิตตกต่ำก็ไปทําพิธีเสด็จเคาะเละะ่หาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรต่าง ๆ, ๆไปบูชายอย่างไปบูชาลาหุนไปเช่าพราอะไรต่างๆที่มีพระโพคธาตุพระเนตรอะนรองนี้ แต่ถ้าเห็นน้ว่าสุดทุกขอยู่ที่ใจเราเจริญนึกเสื่อมความเจริญนึกเสื่อมนี้อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราหรือผลกดแห่งกรรมเห็นกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละคือตัวที่จะทําให้เราเจริญนเสื่อมเพราะงั้นถ้าอยากจะไม่เสื่อมก็อยากไปทําบาปเท่านั้นเองกพอที่มันเสื่อมจานี้ก็ถือว่ามันเป็นผลของบาปที่เราทำมาในอดี ต่อไปเราจะไม่มีคนอย่างนี้แล้วเพราะเราไม่ทำบาปแล้วเราคิดอย่นี้ถ้าจารย์ท่นในระดับพระนาคามีนี่คือไม่มีรูปแต่ว่าขันอีกสี่ขันยังยังมีอยู่ก็มีเพราะขันมันก็เกี่ยวข้องกับจิตนามาขันมันก็เกี่ยวข้องกับจิตที่บอกว่ามีประเภทมีมันอยู่ในจิตนามาขันไม่ได้ในจิต เรือนการนี่มันมันมันมเป็นธาตุสี่ดีนะคุฟังีมีฟังพธมบทนะครับพูดถึงมีห้าขันมีสี่ขันแล้วก็มีขันเดียวขันเดียวนี่คือคือมีสี่ขันรวบรวมอยู่ในจิตอย่างไหมคะเขาไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะเขาทำมาแล้อย่างีมีขันสี่ขันห้าและขันหนึ่งขันหนึ่งเวลาเวลาแตกต่างขันหนึ่งนี่หมายถึง กองสมาเห็นตัวจิตมั้งตัวจิตก็คือแตกออกมาเป็นอีกสี่ขันได้ทั้งสื่ก็เป็นนามะขันสื่แล้วนามะขันลวกไปใช่ไหมหรืขันหนึ่งก็รูปประขันก็ไม่โดนขันเดียวถ้าขันหนึ่งก็ร่างกายนี้ก็เป็นขันหนึ่งขันสี่ก็เป็นนามะขันแต่ถ้าเรามีรูปเราก็มีนามตามมามันก็อัตโนมัติเลยจะมีคนที่มีรูปแล้วไม่มีนามตามมา อรูปไอ้น้ำนี่มันมีอยู่ตลอดเวลามันอยู่กับจิตถึงแม้ไม่มีไม่มีรูปมันก็มีน้ำไม่ได้ไม่ในหมายความว่าถ้ามีรูปก็ถึงจะมีน้ำน้ำนี่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่กับจิตถ้ามีจิตก็มีนาำเพราะน้ำมาขันจินตนาการของจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารมี่จินตนาการของจิตแล้วก็จิตถ้าไปไปไปจิตติไปคว้าไปเกิดไปเอารูปมา ก็จะไมีรูปประทันเพิ่มขึ้นมาอย่างพระอนาคานี้จะไม่มีรูปประทันเพราะท่านไม่มีไม่มีเราภากราท่านก็จะมีแต่นามขันที่ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่ก็ยังมีมีกิเลสที่เรียงสัโยมย่ำวนอยู่ห้าห้าข้อด้วยกันก็คืออูปราคาอุปราคามรณ์อุทัจฉะ แล้วก็เอาวิชานี่ก็เป็นเป็นกิเลสที่เดาอยู่ที่ยังอยู่ในจิตของพระอนาคาลยที่พระอนาคามย์จะต้องละให้ได้อตป ร, ราคาก็เป็นความยึดติดในความสนุกอรูปป ร, ราคาก็เช่นเดียวกันข้ามสงบมีสองระดับระดับรูปรูปประชานกับระดับว่ารูปประชานเวลาจิตสงบแล้วก็จะติดสมาธิแบบนี้บอกเท่า พอปล่อยร่างกายแล้วจิตมันก็จะลีลงไปมันก็จะเป็นเป็นรูปประชาเป็นอรูปประชาแล้วมันก็พอเจอใหม่ๆมันก็จะติดมันมีความสุขมันก็จะคิดว่าถึงที่แล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ความจริงมันัไม่ใช่เพราะว่ามันก็ชานี้มันก็มีการเจริญแล้วมีการเสื่อมได้ที่มีความแสงสว่างแล้วก็มันก็มีความเสื่อมได้มีความสุข ที่ละเอียดนี่ก็เสื่อมลงไปได้ทีน<ม>ี้ทําไม่ถ้าไม่รู้จักวิธีก็จะรักษารักษาก็คือจะรักษาที่ไหนก็คือเมื่อมีความชอบความละเอียดความละเอียนี้ก็อยากจะรักษามันเวลามันเสือ่อมก็จะเข้าชฌาไปเ<ม>ข้าชฌาก็เหมือนกับว่ายังยังไปติดอยู่กับความสุขละเอียดนี้ยังไม่เห็นว่าเป็นใจนะ ยังไม่ปล่อยวาไม่ปล่อยให้เขาเสื่มเสื่อมเพราก็จะเสือเส่อมเขปล่อยเขาเสื่มไปเข้าจะใจเย็นเขาจะจะเยจะจะ็นไปแต่ยั ง, ย, งยังไม่รู้ตอนนะี้ <c oughs> ไม่คิดว่าเป็น <c oughs> เ, เป็นของวิเศษแต่ความจรงมีของวิเศษที่ที่วิเศษกว่านี้รออยู่แต่ต้องปล่อยสิ่ง น, นี้ก่อนเหมือนเราถูกรางวัลที่สอง เราก็เอาเรีบเอาไปขึ้นเงินเดือนเอาขึ้นเงินแต่เราไม่ได้ตรวจ ด, ดูรางวัลที่หนึ่งไปว่ามันเป็นเลขเดียวกันได้รางวัลที่หนึ่งด้วยแต่ ต, ต้องต้องเวลาจะไปขึ้นเงินอย่าไปขึ้นรางวัลที่สองให้ไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งแต่ต้องจอดสลักสิทธิ์ตรงที่สองก่อนอใช่ต้องสลักอายุปราคาอายุปราคาก่อนแล้วก็สลักอาเนี้ยุนี้ น, นี่ก็คือความถือตนที่ยังมีอยู่ภายใจิต แล้วก็อริชาคือความไม่รู้ของความความไม่คความควา ม, าวามทุกข์ที่มีละเอียดซ่อนอยู่ภายในจิตเนื่องจากไปติดอยู่กับอุปราคาอุปราคาติดอยู่กับมาระวนี่นเองพอ พอรู้ฐานปั๊บพอรู้อวิยชาั้ตไอริปราคะอริยตราชาประมาณนี้อุตทจักรนี่อุตให้กรหมยไปอุทตจักรในในสัญญุทธ์เรื่องสูงนี้ก็ถ้าเทียบก็คล้ายคล้าัพมหาจติมหาปัญญาของดวงตาอะไรประมาณมันก็เป็นการพิจนาปัญญาโดยไม่หยุดหย่ยนไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้จักนอนลอยเผิดไปการที่จะพิจารณาแล้วทําให้ จิตเกิดความชราวแหวมคมก็กลายเป็นความทุกสร้างขึ้นเพราะว่ามันเกินกําลังของจิตเห้ือนกับเราทํางานแล้วเราไม่หยุดพักผ่อนพอถึงเที่ยงแล้วการทํางานของเราประสิทธิภาพกำลังจะถดถอยลงไปไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายจิตใจของเราต้องการพักผ่อนแต่ไม่ได้รับการพักผ่อน มันก็รายการเป็นอุทธจักรการกลายเป็นการสารสสาส้างพิารณาพิจารณาอย่างนั้นก็มองไมเห็นไม่ชัดไ ม, ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเห็นท่านแล้วรู้จักหยุดแล้วก็เข้ามาทำจยตให้สงบพากจิตก่อนเข้ามาในในรูปฌานหรือเอารูปฌรนก่อนเมื่อจิตได้ทั้งเต็มที่แนละ้วมีกําลังแล้วเหมือนกับเราทํางานเหนื่อยมากนะเราก็กลับไปบ้าน ไปกินข้าวอาบน้าำอาข้าวหลับนอนพอตื่นขึ้นมาเราก็ค่อยกลับไปทํางานหน่อยเราก็จะทํางานนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปการพิจารณาก็เช่นเดียวกันไม่ให้เลยถิดให้พิจารณาไปถึงขีดที่มันมีประโยชน์มีผลแต่พอมันเลยไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วก็อย่าไปฟื้นแต่บางครั้งมันก็เป็นกิเลส อ, อยากจะเสร็จเร็วๆอยากจะบรรลุเร็วๆ ก็เลยไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดที่เจริญแต่มีดมันชื้อแล้วคนคนที่ฟันมีคนที่ใชม้มีนี้ก็เหนื่อยนะท่านก็บอกว่าให้ไปพักก่อนให้คนที่ใช้มีดนีไปพักกินข้าวหลับนอนพักก่อนแล้วก็เอามีดนี้ไปรับนอรับในสมาธิไปพักในสมาธิพอพักเสร็จแล้วรับมีดเสร็จแล้วพอออกมาทีนี้ฟันไม้ชิ้นเดิมนี่เมื่อก่อนนี่ฟันต้องหลายครั้งก็ไม่ขาด แต่พอออกมาที่ฟันเพียครั้งสองครั้งมันก็จะแตบเองมันที่หลวงตาเทศว่าท่านต้องบังคับตัวเองฮหเราุทช่ไดมเพราะว่ามันเลยเถิจะนะหลวงปู่มั่นบอกว่าบ้าสังขารเนี่ยถ้าจะนะอระดับนี้ตอนต้นก็ติดอยู่ในสมาธิไม่ยอมออกพิจารณาหลวงปู่มั่นเพ่งก็บอกสมาี่เป็นเห็ือนเนษเศษเนื้อนื้อติดฟัน พอออกพิจารณาแล้วเริ่มเห็นผลจากการพิจารณาทางปัญญาก็ก็ไม่ยาวหยุดแล้วที่ว่าพิจารณาไปแทะแตงที่มันจะได้ผลอย่างเต็มที่แต่มันมีจุดเหนื่อยของมันจุดล้าของมันพอถึงจุดนั้น้วเมืนมีดที่มันขึ้นแล้วปัญญามันไม่แหลมคมเนี่ยแรงก็ไม่มีนี่ก็ต้องหยุดกลับเข้ามาพุทโธพุทโธถ้าเราเคยเข้าสมาธิแบบนั้นเราก็กลับเข้านมาในสมาธ่แบบนี้ พอจิตสมาธินี้ก็เหมือนการนั่งมวยพอพอระคังฟักนี้ก็ออกจากิุเข้าไปต่อกต่อเลยที่ดูท่านั่งมวยต่อยสิหยกแบบไม่อยู่ใลนี่สวรรค์นะจ้าพักให้น้ำก่อนเจ้าพักให้น้าก่อนเป็นยกยกไปถึงขั้นตอนตรงนั้นมันจะลุกเองหรือธรรมชาติต่อคหรือว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีครูบอาจารย์มาบอกเรื่องง่าก่อนมนี้มันจะเป็นแบบเดียวกันหมดมันจะบ้าไปอย่างนมันก็จะบ้าในกางสมาธิแล้วก็เกิดในสมาธิ แล้วถ้าไม่มีอาจารย์เราบอกมันก็จะติดไปนานแล้วพอออกไปทางบัญญามันก็จะบ้าไ ป, ปแบบนั้น <c oughs> แต่ถ้ามีอาจารย์คอยเส่คอยสอน ง, ง่า้ๆนะอพอเราถึงจุดๆแล้วเราก็จะรู้แนละ้วจะต้องทำอย่างไง <c oughs> ก็เหมือนคนที่มีคนบอกทางเราแล้วก่อน <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วต้องทําอย่างนี้นะเลี้ ย, <c oughs> ยกขาเลี้ยวซ้า ย, ยาทำไงบอกเลยแต่ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องลองท้ายลองขวาลองจุดลองจุดนะ ละนี่คือประโยชน์ที่ถ้าที่มีอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วมีคนบอกทางมีคนนําทางมันก็จะไม่เสียเวลาอย่างพวกพุทธเจ้าไม่ต้องคําทางไปเองที่อดทัศยียทานถึงสี่สิบเก้าวันก็เพราะก็คิดว่าไปทางนี้จะถูกทางนี้จะดับกิเลสได้แต่มันไม่ดับมารู้ทีหลังว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายห้ามไม่ให้ร่างกายกินอาหารความอยาก เกินมันก็ยังอยู่เหมืนตั้งแตห้าวที่จิตห้าวโดยการพิจารณาความเป็นปฏิกลูลของอาหารดูอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเราอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานเวลาเห็นอาหารในจานน้าําลายไหลได้เห็นนะจะเห็นอาหารที่เราอ้วกออกมาเนี่ยมัได้อยากจะกินถ้าเห็นแบบนั้นนั้นมันก็จะไม่อยากกิน แต่ความอยากมันอยู่ในใจเราออกมาจากความหลงเห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นในส่วนที่ไม่ควรจะเห็นส่วนที่เห็นกับไม่เห็นก็ไปเห็นอาหารที่อยู่ในจานกันไม่ยอมเห็นอาหารที่มันออกมาจากทางปากเวลาเราอาเจียนนึกคลายออกมาหลังจากที่เราเคี้ยวแล้วที่ภาพท่านเราเอาอาหารที่อย่างใส่ไปในบะนรกคุ ก, ก็คือที่จะให้เห็นภาพถึงอาหารที่มันเข้าไปอยู่ในท้อง อาหารั้ำหมดนนี้ที่เรากินอย่างเนี้มก็ต้องเบี่ยงเบนกันอยู่เครับไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานผลไม้หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันดังนั้นถ้าเรากินแบบไม่ให้ติดเกิดความอยากเราก็ต้องกินแบบพระที่ชอบกินอย่างอาหารก็เป็นทุกอย่างเขมาไปใบาตแล้วก็คุกมันทํามีจานหรือกรลังที่บ้านชามอะไรอย่างนี้ใส่แต่ท่าใส่ทำไมทำไม่ได้อ่ะ เราไม่ต้องการดับกินเลยนะนั่ไม่ต้องการรับรุกทำเลยรู้ไหมเราทำดูเสร็จแล้วจะรบรู้หน้าอตาถ้าต่อไปจะติดใจชาบกิน่างนี้เพราะอาหาราบบนี้ที่ไหนก็ไม่มีขาย หวานนะท่านใหญ่ใไยม่ได้กันนกิดข้าวอันนี้ก็คือไมหอ้างหัอ่ากินได้ไหมค ข้อนะคะทางกระทรวงเยบันมีเจ้าขาสินให้มากที่สุดไหมคะเรียว่าเระเอกที่ดีข้าที่ว่าที่จริงาคิดว่าหรือเราเดี่ยวเขาเราคนเดียวเขาเราเดี่ยวเขาอันนี้เป็นลมานะที่ไม่เป็นลมานะที่พระศรีดามันยังยังยังล้วลาท่องภาอาหารได้ คือในทีปจบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพีนาะโดยธรรมชาติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังตาเตี่ยรเรื่อยเดี๋ยวเลาเกิดเหตุการณ์ที่จริงๆอ่ะมันถือพี่มันเท่ามันลงทยืนเนี่ยมันยังไม่เป็นเท่ามันยังไม่เป็นปั ญ, ญาที่แท้จริงมันเป็นเป็นจินจะเมยยแปัเป็นจิจญญนนาตาไยังไม่เป็นภาวาเมยยะัายีให้เป็นตัถ้าดับที่เลือได้ดับความคิดได้ถึงจะเป็นภาามยัญญา ก็ต้องเร็วต้องไวต้องิดอยู่ตลอดเวลาพอที่เลศโผล่มาปั๊บเราก็ตัดมันได้ัรทงๆพอมันนะออกมาปั๊เราก็ตัดมันได้ทริงๆแล้วก็เข้ามาเลยเวลามันออกมาแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันเร็วกว่าเราเราตามจับมันนี้ก็เหมือนตำรวจตามจับขโมยนี้ขโมยไปเอาของไปแล้วขโมยไเร็วก็ตำรวจเพราะตำรวจงไปนั่งกินเหล่าอยู่ที่ไเร็ว ใหมาน the, ัเฝ้าดยตลอดเวลเฝ้าก็ดูจิตเรามี็นตลอดเวลาหรือสิ่งหนึ่งมีความเสียดายในเรื่องพราะเราไม่เห็นว่าเป็นการรักเราไม่เห็นว่าเป็าดทุกสิ่งที่เราเสียด้เนี้ื่้เ่อเอูกกะบวลาที่จะระเบไปเงเสียดาย ขอนกระเป๋าเนี่ยเขายังเสียได้แต่ไม่ไม่ใช่อะไรนะทีเนเขาเสียเอาไว้ก่อนทกนก็ไม่ประโยชน์แล้วตั้งไว้เฉยร้อยหน่งเก้าเรือเราเป็นเรือลำเล็กๆเนี่ยเจื่อชิ้นเล็กๆพูดได้เดี๋ยวถ้าเจเไม่ี่บาทนไม่หรอกเรือมันก็จะรอย อยู่บนน้ำมันจะไรเลน้าอยู่ใเรือนะอาจจะถูกเื่อนให้อยู่บนเรือไว้ให้มีสติมีปัญญาไบ้นงไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายขนาดไหนก็สู้สติปัญญาได้สติปัญญานี้ชนะทุกอย่างนะเกเรทุกชนิดได้อยู่ท <à> ี่ว <baz en> <g ab fragile describe> ่าเราจะใช้มนหรม่เาน้นเองทีนี้เขาพิมพ์โยมโง่อยู่คือใช้ไม่อจะเป็นเลยะเพราะเกเรมาหลอก หลอให้เราหลงให้เรารักให้เราเสียดายเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอันตรายกับเราอันตรายเพราะมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราความหวงความห่วงนี่เป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุวัตถุมันไม่มีปัญหาอะไรคือแต่ความหวงความละข้ามหวงนี่มันเป็นตัวปหา ที่เราต้องให้ปิ่เขางจากต่างไปเพื่อตัดคําวรักความโหงความหง่วงแต่ถ้าเราตัดความรักความโหยงความห่วงเนี่ยนะของที่เหลืออยู่เราจะเก็บไว้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปหรือของที่เราได้มาใหม่เราจะเก็บไวก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่วนยากเมื่อมันไม่รักไม่หวงไม่ห่วงมันก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไม <laughs> <laughs> ามัน ไ, ได้มาจะให้ไปมันได้มาจะให้อีการู้จารณ์ได้มาเท่าไหร่นก็ให้ดีทองทางต้องฝิกสองซันถ้าท่านเก็บไว้ต้องเกินไ ป, ไ ป, ไปนะถ้ามีคำรักคำหวงอย่างนี้เดียวรับคำได้ให้ไม่ได้ก็ <laughs> ต้องหาเหตุเก็บไว <laughs> ้จะได้ดูว่าจาความรักความหวงควอมห่วอ ง, องไว้ มันเปนมันเป็นภาวะทัญหาที่ภาวะปัญหาทัานวัดัญหาต้องพิจารณาว่ามันเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายวัดไปอยู่ดีหรือเราต้องจ่ากเงินไปอยู่ดีถ้าเราจ่าแบบทที่เราไม่คัวรักขัวแล้วก็จะจ่าแบบททุกทรมานเวลาอยู่ก็อยู่อั่ทุกธรมารย์แต่ถ้าเรา เราเมาเราเาปล่อยเราตัด้เราไม่รักไม่ห่วไม่หเราก็จะอยู่นย่งสบายจต่ละพิเศษของแต่ละคนยังม่แตก่างกันนะมีกลิ่นสีของแต่ละคนก็มันมีหนาบางกันกันใช่ไหมการเแบบเดียวกันใช่ไตัวเดียวกันโลกคนน้งนกันหนาบางหนาบางกันไป คนกคนนักปฏิบัติก็ถึงแบ่งไว้เป็นตีพวกพวกที่รู้เร็วแล้วก็รู้ง่ายมีพวกนี้แล้วก็รู้เร็วแต่รู้ยากเคยรู้เร็วนี่หมายถึงว่าเป็นพวกที่เรื่อปัญญาแหลมคนรู้รู้อรองรู้เร็วเพราะว่าปฏิบัติขยันปฏิบัติรู้ง่ายเพราะปัญญาหลมคนถ้าถ้ารู้ยากแล้วก็ ดูชายอย่างีก็แสดงว่าที่เกียยแล้วก็ปัญญาทิพย์เต็มเต็มงั้นบางคนอาจจะขยันมากแต่ปัญญาทิพย์ก็ก็ไปไมงทันแต่ก็ยังมีที่ขยันการขยันอันนี้มันเปลี่ยนได้ไหมจ๊หมา หรือว่ามันเป็นมันเป็นประจําประจำแต่ละจิตมันก็เป็นามาลีที่เาสร้างมาไม่เท่ากันเราสร้างวิริยบาลีมาบ้าแต่เราไม่สร้างปัญญาบาลีที่เราไม่สนใจฟางเทศฟังธรรมไม่รักไม่ชบอบฟังเทศฟังธรรมไม่ใส่ไม่ใส่ศึกษาไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลาอ ม, มันก็จะนอ้อน ยี่ในแต่ละชาติเราสะสมไปเรื่อยๆบรารมีแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นก็อย่างพระเจ้าสิทธิชาติเขาจะสร้างในแต่ละชาติั้ท่านจะสร้างบรารมีแต่และควีมที่หมักไปทางบราบบรมีใดเลยนี่หนึ่งเป็นสมัยเป็เทวเจ้สังวรจะสร้างหนักไปทางด้านทางบรารมีแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่ได้สร้างอย่างอื่นก็สร้างเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นท่านกำลังจิตใจเดินเดินของการสร้างทางบรารมี นางชาตก็สร้างวิริยะบาลี อ, อย่างที่เป็นลอยคออยู่ในทะเลนี้เป็การลงค้ำให้สร้างวิริยะบารลีมันก็สร้างวิริยะบาลีนเนาะเวลาเป็นพระเตงก็สร้างออมมาเอ่อเครื่องขมไอ้ยเด็กขาบาลีนิ่เฉย อ, เอันนี้ก็เป็นบารมีต่างๆที่ที่ต้องสร้างอาในแต่และทศแต่และชาต อนะย่างคนที่โดงเจนนี่นเนี่ยคนะ่เขามันเร็วมากเลยแล้วจิตเขาไปไหนหรือว่ายังอยู่ตรงไหนจิตเขาก็ไปาตามภูมิ<า>ของเขาตามภ<น>ูมิ<น>ของเขาเขาทําจิตของเขาอยู่ในระดับใดก็ไปตามอย่างนั้นเอถ้าเป็นนรกก็ไปนรกถ้าเป็นเตยก็ไปเป็นเตยถ้าเป็นเทพก็ไปเป็นเทพถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกเพราะพอเราจะตายเท่านี้มันก็ต้องรู้ก่อนเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะตาในสภาพไหนแน่นอนหลับตานี้มันก็ต้องเต่งขึ้นมาก่อนมันถึจะมันถึงจะตายแต่มันมันก็จะมันก็จะทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเกียร์ออโต้รถมันอยู่ในเกียร์ไหนมันก็จะไปในเกียร์นั้นถ้ามันอยู่เกียร์หนึ่งมันก็จะไปเกียร์หนึ่งถ้ามันอยู่เกียร์ถอยหลังมันก็จะไปเกียร์ถอยหลังเพราะการกระทําของเราในแต่ละวันนี้มันเป็นการ เหมือนกับเอารถเข้าเกียร์ต่างๆไว้พอถึงเวลาตายพักมันรถมันก็จะวิ่งไปตามเกียร์สุดท้ายที่เราเราสังไว้อยู่อย่างพ้ะอรหันต์พระวิจิต ร, ร์ น, นี่ยท่านจะอยู่ในเกียร์ว่างอยู่ในเกียร์นิพพานเนี่ยพอตายพักจะตายช้าตายเร็วงมันก็มันก็จะไปตรงนั้นอยู่ดีอย่าพวกเรานี้ทํำบุญให้ทายรักษาเศีลตายไปก็ไปสวรรค์ทันที แต่ถ้าไปทําบาปทํากรรมมันก็จะไปอีกที่นึงแต่แตแล้วแต่ว่าอาตัวไหนมีนใจแรงกว่ากันตัวไหนจะมีกําลังมากกว่ากันกรรมในไหนจะมีกําลังมากกว่ากันอย่างพระเทวทัศนนี่ถึงแม้จะรับบวชมาเป็นพระรักษาสิ่งเจริญสมาธิลึกๆแต่มาทําทำกรรมที่รุนแรงก็คืออันตริยกรรมรอบธรามรน์นพระพุทธเจ้าธรรมรัตน์พระพุทธเจ้าฮอลลเรื่อง กจำวันนี้มันแรงกว่าตัวอื่นพอตายไปพระพุทธเจ้ากระบอกต้องไปตกนรกแต่เมื่อใช้หมดจำนะก็จะได้กจำมา เ, เป็นเป็นบัรนุแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปฏิจจคภวพุทธเจ้าต่อไปเนื่องจากบุญที่ท่านทำไว้ก็จะมีโอกาสได้ส่งถึงต่อไปอ่ตัวนี้มันมาแรงกว่ามือนีันวปาสข้อใช่ไห ม, มตัวใหญ่นีก็จะต้องด<ม><ม>ูแรงออกไปก่อน ไอตัวเล็กตั น, น้ายมันก็ต้องอยู่ข้างหลังถ้าตัวใหญ่เาานีน่ออกไปก่อนเาน้เวลาเราตายไปนี้ก็กจำไหนที่มันหมัดที่สุิดืดบุญตันไหนที่มีกําการมากที่สุดแค่นั้นก็จะพาวันไปก่นอนแล้วพวกสัมภเวสีล่ะพวกสัมภเวสีนี่เพราะว่า ม, มีพวกที่ไปโกนรกแล้วพอออกมาจากนรกมันจะมาเป็นสัมภเวสีของ เพราะว่าไม่ได้สร้างบุญไว้มากพอบางพว ก, น, น, กนี่ตกนรกแล้วพอกลับมาก็ไปสวรรค์เลยก็มีถ้าได้ทําบุญไว้มากได้ทำบุญทางการตักบาตรหรืเป็นประจันโดยพอดีมาเกิดอารมณ์ฆ่าพ่อข้าแมา่โดยที่ไม่มีเศษงานแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างนิทานเรื่องที่ก็เอาข่าวไปใ ห, ให้แม่แ ม, ม่เอาข้าวมให้นิทานก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาประจํานั้นมันงายกว่า หรือแจะรับใช้แม่เลี้ยงแล่คอยทำงานงการช่วเี้ในทำบ้านทำดูอยู่ตลอเวลา แ, ลวแต่การที่จะฆ่าหนะีม่นมันมีบาปหกกว่ามันก็จะต้องถึงก็ไปนรกก่อน<ม>แต่ถ้าเขาเคยทำบุญแล้วพอแต่นรกเขาก็ไม่้เป็นสามรยสิเขาก็จะไปไปสวรรค์เลยได้กลับมาเกิดเร น, นไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุด้วยชอบแต่ ชอบแต่ขลับขโมยชอบแต่เอาเงินเอาทองอยากได้อยา่างนี้แต่ไม่ได้หามาด้วยความสุกึกกันดินก็ไม่ทําทําแต่บาปเวลาสวรรค์ตายไปอาา่อนใจนรกมาก็จะมาเป็นสามประเวณีของเพราะไม่มีดที่จะที่จะไปรับก็เลยเคลื่อนคลายอยู่เป็นสัมประเวณีก็เลยต้องมารรับเถิดดินของที่ที่ในชีวิตอยูมีดินไปวันวันกของเพิ่งกว่าจะมีกําลังให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป นำ ม, มาสร้างบิญสร้างบาปใหม่เรอบเพราะฉะนั้นการนำบุญทานอย่างนั้นก็จะก็จะรับว่าเราอย่างก็ได้สวรรค์เมื่อทามาเป็นเปรตอย่างที่พวกเราทำอย่างนี้เป็นการเป็นการติดประตูของการมาเป็นเปรตเมื่อถ้าเรรักษาพี่นได้ด้วยทำบาปล้วก็ติดประตูของการไปนรกเมื่อทํามาเป็นเดรัจฉาน หายใจก็จะไปสวคอย่างพระเวะสร์ น, อ, นอายใจก็ไปเกิดในสวคน์พอเสื่อนกาบสวรรค์ลงมาก็กลับมาเป็นจ้าชายสุทธทัตแล้วก็มาปฏิบัตข้งบาลานิยตอมาออกเดือดตัดรู้เเจงพระพุทธเจ้าง้นอย่าทบาสอย่งที่พระเจ้าส อ, สอนในสามข้อนี้อย่อย า, ทาทบาตทั้งปวงจากบาปปัสสะการังกุศละซื้อกัสสักถา จงทำกุสมตั้งหลายเถึนทองแล้วก็ให้ชำระจิตให้สะอาต่อจิตถ้ายังไม่บริสุทธิ์อย่างน้อยก็จะไม่ตายไปก็ไม่ไปเกิดในโลกไม่ไปเกิดในอบายก็จะเกิดในสุขติแลื่พว่ที่ได้กลับมาทำบุญต่อมาชำระจิตต่อจนใ น, นที่สุดก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน มีคำสอนที่สำคัญพระพเจ้าสรุปได้สามข้อนี้อยู่ที่สามข้อนี้เองเพราะเราทำตามถึงไม่ต้องสงสัยนี่แต่ด้กํรมยานนี่มีขัดถึงสิ่งที่เราเสียไปกับสิ่งที่ว่าด้า น, านี่มันมัมนมีคนณท่าต่างกัน สิ่งที่เราได้มานี่ดมีคุณค่ากว่าเงินทองเข้าของที่เรเสียไปกับเป๋ที่เราสียไปไม่เชื่อลองทอยูลองยกให้คนอื่ไปแล้วทายเรื่องอย่างลแบบพ่อองเพราเขาก็เป็นทุกข์อีกยกให้ครก็เป็นทุกข์หมดเก็ไมู่เก็บไอ่เ ให้คนที่เขาไม่เอาเลยให้คนที่เขาไม่อยากได้เขาาไม่เป็นทุกข์อย่งที่เราไปทำบินกับหลวงจางนี่ท่านไม่ทุกข์ท่านก็เอาไปทำประโยชน์ให้ชาวบ้าอยากจะให้คนที่อยากได้ก็ไปส่งที่มีความก็เาไปขายคือเอาไปขายน้องน้องไปโดนสอน คนช่วยแนะนำเียังยังกรณีกระเป๋าพี่สมมติว่าลูกอยากได้จริงๆแล้วแล้วแม่เกิดมีให้อย่างเงี้ยแล้วลูกก็จะรู้สึกน้อยใจแม่นี่ก็เกิดมีเกิดาเกิดเิดอะไรต่อเนื่องกันแล้วถ้าเป็นเรื่องเป็นคือพร้อมที่จะจับคู่เกิดกันได้ตลอดเวลา ก็ อ, อย่างนั้นแล้วก็มีอัคติแล้วมันมีความความือียคดความโกรงไม่ดียิ่ถ้าเป็นผู้มีทักษะการลองเนียราก็จะไปทงบาป ท, ที่นหนทาบาปกัคนอื่นไม่หนักเข่ากับทาบาปกับผู้มีทุกคะตัวอย่าเช่นธรรมปัญกรรมนี้ก็มีสี่และห้าเช่ททนทาพระพุทธเจ้ า, จาห้อเรียก ท่าพ่อท่าแม่ท่าพระอาหารทาได้สองสามเนี่ยบุคคลนี้มีรู้แต่เป็นบุคคลที่มีทักคุณไม่มีโทษกับใครพ่อแม่ก็มีทักคุณกับเราพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็มีท่าหนึ่งก็มีคุณต่อสาโลกถ้าไปท่าท่านเป็นธรรมานุสินก็เป็นการสร้างกันเองเราต้องจัดทําใจอย่าไปอยาก มากน้อยสังเด่นยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปขู้นเฟเห็นเู่อ้ฟ้ออันนี้เป็นเรื่องของจิตเลยความขึ้ฟความมักมากมเป็นเรื่องของจิตความ ม, มากน้อยสังเด่นนี่เป็นทรรมธรรมนิจจ์เรามีความสนบความนิจจ์เราไม่มีอารมณ์ ข, ข, ข, ข, ขัดขนกับครเราไม่ได้อะไเราก็ไม่เสียใจไม่โกรธใัรแต่พอเราอยากได้ปัไม่ได้เราจะโกรธทันที จะเสียใจทันทีจะทําให้เราคิดอกุศลคิดในทางที่ไม่ดีนันคืหัดหัดมักน้อยสําึดเอเนี่ยอันนี้จะเป็นธรรมะที่สําคัญของผู้ที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะทุกคนนี้ต้องมีมักน้อยสำนึกเอาเนต่ยเอเมนงหัม หลักแล้เนี่ยจะมาก้ไม่มากแต่อย่าง้วก็ต้อาเรยนทุกคนความมังแล้วสเวชถึงจ ะ, จะเรียนในทันไา้เพราะมันเป็นตัวปาตัวโลกตัวตัวมากๆเนี่ยเปิดตัวโลกตัวโลกถ้าลดไม่ได้ก็จะแต่ทานโกดเชื่อ <c oughs> ก็จะได้ทาบาททากรรได้แต่้า ม, มีมากๆก็จะแตกใจกออกไปเนี่ยคะ่ะ อันนี้ไม่ได้มากมักน้อยเท่านั้นมีมากเราต้องการแค่หนึ่ง ม, ม, มีน้อยเนี่ยยังมีมากเกินไปแล้วก็แ จ, จกจ่ายไปมี่ก็เรียกมักน้อยม่ใช่มักมากมัมากก็คือมีแค่นี้ไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นนี่คือเรียกมากมากการแจกจ่ายออกไปเนี่ยคือการมักน้อยแค่หนึ่งแสนเงก็อยากจะเก็บได้แค่หนึ่งเดียวจ ะ, อจะวเอาไปแจกคนอื่นสักเก้าแนเก็บได้แค่สามเดียวอาจจะได้แค่หนึ่งเดียวมักน้อย แต่ถ้ามีแสนเราอยากจะได้เป็นวันเนี่ยเรามากมากซึ่งส่วนใหญ่จะมากๆากกันเลยนะ <c oughs> ได้คือก็อยากจะได้ ม, มีคือก็อยากจะได้เป็นสอบมีสอบนี่ก็อยากจะได้จนวๆๆันนี่เหมือนล้านก็อยากจะได้เป็นแสนล้านโดยที่ไม่ใช่เหตุผลว่ามีไปแล้วใช้อะไรได้ทําอะไรได้ มันทำอะไรไม่ได้มันได้เีความสุขให้เรามากขึ้นกนว่าเดมก็มีความทุกข์ทางใจมากขึ้นกว่เาเดิมคำถามข้อสุดท้ายนะคะทำไมดีะนะ่คะตัวที่เขียนได้นเลนี่ยอดควางขยันลยความขยันเท่านั้นที่ะความที่เขียนได้เราไม่เห็นทุกจริงๆเราถึงไม่ขยังเนี่ยไม่หรอกเลย มันมันที่เกี่ยวก็ตเราความพยายามมาเกี่ย น, น, นจยัดาตารางไว้เสร็วว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างจะดันจนงจงกรมขี่ชื่อมองจะนั่นสงสมาธิขี่เช่อมอง <c oughs> ถึงเวลาก็ทำลงไปบังคับมลง ไ, ไปต่อไปมักนก็จะติดไปไม่ใส่เองไม่ได้จำหรือถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้ก็ไปอยู่ที่เขาที่เขาบังคับเราได้ ถ้าเวลาไปอยู่โรงเรียนกินอเนี่ยไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านที่เกียรติได้จะเตียนเวลาไหนก็ได้แต่พาอยู่โรงเรียนกินนอนถึงเวลาก็มีกระทางมีกระเด็นเนี่ยจบเราแล้วถึงเวลาต้องทํากิจกรรมเนี่ยต้องขวางต่างๆถ้าเราบังคับตัวอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่แบบที่เขาบังคับมาได้ตองายคนอื่บังคับเราที่เขามีเครื่องพออบรมอะไร ก็อย่างนั้นอย่าง่าเน้นก็จะอยู่นำพรางางเพียงก็ไม่ค่าเสียนต้องมีอยู่ครูบาอจารย์คูบาอจารย์ก็จะมีคูบาวิถีต่างๆคอยเชี่ยวเข้มคอยคอยทให้เกิดความพขยงลงเพียงเอเดินยิทบายต้นตากอย่าแดาางแบบแเออเหรอลอยลอยไม่ได้ตองวิ่งมันจะเป็นวิถีการบางท่านให้เราเกิดความเพียรขึ้ น, น ถ้าเราบังคับตัวเราอไม่ได้เราก็ต้องอาศัยผู้อื่นให้เขาบังคับให้เราไม่ยากทำได้อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมที่จะทำหรือไม่ได้วยไม่ต้องจาได้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรหลุดพ้นจากความทุกขได้ด้วยความเพียรคนที่เกี่ยนได้หลุดพ้น ไ, ได้เท่านั้นเอง เช่นแตนแล้ววันที่สามถึงไ้ทําไปที่ไปสวดให้ดงตาในนามของคณะลูกศิษย์เช่นเตนสุชาติได้ทองสามกิโลกสาสิบาทแล้วก็30สามสิบาทแล้วก็เงินสดสองแสนเก้าหมื่นสี่พันขอให้เมตขอทุกคนได้อันนี้สงจากการทมนิเพื่อ เราขอให้ทำต่อตัอ้เรี่ยๆอยากจกว่าจะไม่มีลมหายใจได้พอเน่ะ